รูปคือมหาพูทธรูปกับอุปาทายรูปนามคือเวทนาสัญญาเจตนาผัด ส, สัมมณสิการก็ยังไม่ได้ขยายเลยเพิ่งเริ่มต้นเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญาณก็เริ่มต้นหน่อยดีนะ้นนิ่มก็ไปถักถ้ามันนิ่มก็ไม่ไปถักทวงว่าเอา้ารืมไงนัดว่าจะมาที่นี่เขาวันนี้ชุมประชุมวันอาทิตย์ ไม่มีรายการก็ไม่ได้ออกอากาศแต่ว่าพบาพบปากกั น, น, านาอาอาอาตมา ก, ก็จะเข้าไปสัติ์สุสกและพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะกลับมาก็เลยให้มาคุยกันอเอเอาไปสิบแใช่มันไม่มีอาทิตย์ที่จะเจอแล้วมันวันเยน็นมันก็ต้องออกอากาศทุกวันไง นอกจากเย็นวันอาทิตย์เนี่ยที่จริงควรจะประชุมแต่ที่นี้ก็ไม่ได้ประชุมกันประชุมหมู่บ้านเลยแต่มันจ่อไปเพิ่งประชุมประโยชนยังไม่นานเท่าไหร่มันจ่อไปเขาก็เลยไม่ได้ประชุมอัตมาก็ว่าเอะอัตมาก็ยังกําหนดหมายยังไม่ค่อยจะนี่เท่าไหร่แต่ไม่มีปัญหาเจอกันก็ว่ากัน ฮะอ้าววันนี้บันทึกเทปพวกเราเนี่ยบันทึกเทปตลอดเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยอะไรนี่อะไรหน่อยก็บันทึกเทปบันทึกไว้บันทึกไว้บันทึกไว้นะเพราะเผลอก็มาออกบางทีก็อ้าวไอ้นี่บันทึกไว้เมื่อไหรเพลอะเพลเอามาออกอะไรเงี้ยอ้าวไปเรื่อยคือหมายควาเอามาเปิดโปงกันอยู่เรื่อยนะผู้ใ้ชัดก็คือเอามาประจานกันอยู่เรื่อยมาเงินเทิง มีอะไรก็มาเปิดโปงอามาเปิดเผยเอามาประจานก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราเองเราประจานอะไรก็ได้เพราะว่าเราเองเราไม่ได้ไปทำชั่วทำผิดอะไระบางอย่างมันอาจจะเป็นธรรมชาติที่ไม่ค่อยน่าเปิดเผยนักเท่า น, นั้นเองเขาก็มาเปิดเผยไปก็ไม่หวากันเราเป็นธรรมชาติเราไม่ได้ไปทำชั่วทาเลวอะไร <c oughs> อ่ทางนั้นก็ไม่เป็นไรน่าแบบมีอะไรก็คุยกันตามภาษาพ่อพลูกๆเนอะเออคุยกันเรื่องพอลูกมากดีไหมพอลูกมากอ่าภาษาอีสานเขาบอกว่าอ่อพอลูกมากหรือแม่ลูกมากนี่พวกลูกมากพ่อแม่ปากเปียก ลูกมากาพ่อแม่ปากเปียก <c oughs> ปากเปียกนี่หมายคำว่าพูดแล้วพูดอยู่นั่นแหละโบนไปเธออะไรในพูด ไ, ไปอะไรแต่เป็นต้นเอา้าไงนายนำคำขอไมโครโฟนไปจะถามเหรอมีอะไรพูดเหรอฮะ <c oughs> พ่อครูเปิดโอกาสให้ถามได้ยังคะเอาได้ได้ได้ถามเลยก็ได้เอาไม่มีปัญหารัฐมนตมีแต่ปัญญากลับขอโกาสถามปัญหาโยนทิ้งหมดละเป็นเป็นความสงสัยที่ค้างไว้สองตั้งแต่สอสวันที่แล้วค่ะยังมีปัญหายังมีปัญหายังไม่มีปัญญาหลังจากที่ที่บ้านลาดแล้วนะคะช่วงหลังงาน80ปีไม่มีแก่ก็เกิดการศึกษาแบบอุดรศึกษาที่พ่อครูให้ชื่อว่าวนบ แล้วเราก็รู้จักคําว่าสวอตเป็นครั้งแรกในชีวิตโอ้อะไรกันเนี่ <c oughs> อุตสาหะเรียนมาจบปริญญาตรียังไม่รู้รสวอตเลยเลยยังไม่เข้าใจว่ามันจะต้องทำยังไงเอสต่อมไม่จบปริญญาตรียังพอรู้เลยสวอตอ๋อเอา้าเออเมื่อ2วันก่อนนะคะเพราะท่านก็บอกว่าสวอตนี่ต้องมี S อีกตัวหนึ่งก็คือ S ที่แปลว่า Self, เซลฟ์แปลว่าอัตตาทีนี้เราอยากจะทราบว่าเซลฟ์ตัวนี้ค่ะมันเชื่อมโยงหรือว่าสัมพันธ์ยังไงกับสวอต แล้วก็ oh, มาปฏิบัติจริงได้ยังไงคะอัตมาว่าสำคัญมากเลยนะสวตเนี่ยนะมันเป็นการประมาณมัตันยูตาเป็นสัปปริสธรรมที่มันไม่ครบผู้รู้ของโลกที่เขาเอามาทำได้นะเขาคิดได้แค่นี้เขาคิดได้แค่ ส, ส, ส, สวตนะเขาคิดได้แค่ s อสวูโนะ ไอ้ uh, uh, uh, W เนี่ย Strength อ uh, ่ Weakness เนี่ยความแข็งความอ่อนและ Opportunity หรือ ว, ว่า Treats ซึ่งเป็นเรื่องที่มันมันไม่ดีอ่ะ uh, t r e a t มันเป็นเรื่องที่มันทำให้ทุกข์ทให้เลือดร้อนทำให้ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นปกติมันอยู่ในสภาพที่ uh, มันเป็นภาวะที่มันทำให้ไม่ราบรื่นทรีสก็รวมความแล้วสิ่งที่เขาศึกษาเพื่อที่จะตรวจสอบกันตรวจสอบกันดูความด้อยความเด่นความมากไปความน้อยไปนะ่าสเตรนเกอร์วิกเนสเนี่ยความมากไปความน้อยไปของคนในหมู่กลุ่มของคนที่อยู่ร่วมกัน เพราะอะไรมันมากไปมันน้อยไปก็มาจัดซะให้รู้ตัวแล้วก็ทุกคนมากไปก็ลดลงน้อยไปก็เพิ่มขึ้นให้มันได้ให้มันได้สัดส่วนที่ผมเหมาะพอดีเพราะถ้าไปเช่นนั้นแล้วมันก็จะเกิดทรีสมันจะเกิดความไม่ไม่สมดุลไม่ราบรื่นไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่อยู่ในสภาพที่จะไปอย่างดีอย่างเจริญมันก็ไม่ไม่ไปอย่างดีอย่างเจริญ แล้วเขาังพนวกโอกาสที่เข้ามาอีกตัวหนึ่งก็เป็นเรื่องของกาลันยูตาเพราะานั้นในสปริสธรรมนี่อาตมาเห็นว่ามันครบสมบูรณ์ยิ่งกว่าสวอตไปอีกไหนๆหน ส, สปริสธรรมเจ็เนี่ยมันครบครันยิ่งกว่าสวอตเพราะงั้นอาตมาว่าอย่างน้อยก็เอาเซลฟ์เนเอาอัตตันยูตาเข้าไปเสริมเถอะ ส่วนความที่เขาจะไม่ละเอียดละออพอถึงขนาดครับพระพุทธเจ้าท่านกำหนดนะมีะทั้งไอธรรมมันและอันเนี่ยสภาพของธรรมมัญญตาคือทุกอย่างเท่าที่ประดาเราจะสิริรวมมาได้เรียกว่าธรรมะทุกอย่างาองค์ประกอบนอกในหย่าบละเอียดรูปนามคือธรรมะทั้งหมด แล้วก็มารวมกันดูเมื่อมารวมกันแล้วมันมาร่วมสังเคราะห์สังคารกันหรือว่ามันจะเป็นประโยชน์เป็นโทษอะไรกันอยู่เนี่ยประโยชน์หรือว่าคุณค่ามันก็ควรจะต้องมีในนั้นคุณค่าหรือประโยชน์ก็คืออัฏฐุตตาอัถฐเพราะงั้นมันจะได้คุณค่าได้ประโยชน์ได้เมื่อมันมารวมกันอยู่นั่นน่ะก็จัดสรรเสีย เพราะการจัดสรรก็ตรวจตราไปตั้งแต่ตัวเราอัตตาอยูตาของมิจา้าตรวจตราไปตั้งแต่ตัวเราตัวเรามีอะไรด้อยอะไรเด่นอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรผิดอะไรถูกอะไรก็แล้วแต่ตรวจไปตัวเราต้องรู้ตัวเราเป็นหลักสําคัญมากเลยคนส่วนมากมันมันมีอัตตาเพราะมันไม่รู้ตัวเอง ม, มีอัตตามันไม่รู้ตัวเองแล้วมันก็เอาตัวเองนี่แหละ ไปเป็นเรื่องที่อยู่กับหมูนี่มันยึดตนยึดตัวนี่อะไรเป็นตัวใหญ่เลยอัตฉรยิยตาเนี่ยธรรมาถึงบอกว่าเติมตัวนี้เข้าไปอีกตัวหนึง่งเราเยี่ยมเลยนะเพราะนอกนั้นมันก็เอามาประมาณก็จัด ก, การันยุต า, าปาริสันยุตากปกครอปโบรบุยัยุตาก็เรื่องของบุคคลนั้นนั้นปริสันยุตาก็สังคมทั้งหมดอามีเท่าไหร่ อามาสิคุณจะไล่ไปเลยอย่างที่คุณทํากันสวอใครมีอะไรอะไรก็ว่ากันไปปริสันยุตตามีเท่านี้ก็สังเคราะห์กันเท่านี้ไล่ไปตัวบุคคลปุกระประโรปรันยุตตาแต่ละบุคคลก็เอาเนื้อเอาอะไรที่มันเป็นต่างติดภายนอกภายในส่วนมากก็ภายในแหละทางจิตใจจะออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกกายกรรมวิจิกรรมมนกรรมออกมาก็เอามาสังเคราะห์กัน ให้มารับรู้เมื่อรู้แล้วอะไรบกพร่องสรุปแล้วก็คือมีอะไรสเตรนดมีอะไรว k ก e s s ก็รันและอะไรไป ข, อ ด, ดขอด้อยขอดเกินก็เอามาประมาณมาจัดสรรให้มันลงตัวก็ดีราะถ้าเอาอัตตาหรือเซลฟ์เนี่เข้าไปอีกตัวหนึ่งมันจะได้มากกว่า น, นั้นแม่จะไม่ครบทั้งไม่อัตมาไม่มังอาจจะไปใส่ทั้งหมดเราก็เติมเห็นว่ามันเออเอาได้นะ่ามันควรจะ นิดหน่อยแถมนิดนึงเอา s ส, าสใส่เข้าไปอีกตัวเป็นห้าแต่ได้ยิมีแค่สี่ตัว5ตัวก็ดีของพุทธเจ้าทำไเจ็ดนะเจของท่านนี่ครบด้วยเจ็ดของท่านนี่อมรวมหมดเลยสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นขว้นการความรู้ของโลกเขาเนี่ยณวันแน่แน่ แ, น แ, นแนสูพ้พเจ้าไม่ได้หลอกสูพ้พระเจ้าไม่ได้หลอกพระเจ้ามีครบครันละเอียดละออมากขานั้นเยอะ มันอาตมาก็อาตมาก็ไม่ได้เรียนที่จริงนะอาตมาไม่ได้ปริญัติเตออะไรอาตมาก็ได้ยินได้ฟังพูดๆกันอาตมาก็รับสัมผัสตามที่ก็พูดกันนั่นแหละไม่มีมากอะไรเพราะสัมผัสอาตมาก็รู้แล้วว่าอันนี้มันหมายอะไรอะไ ร, อะไรบ้างอาตมาก็รู้สภาวะธรรมของมนุษย์ก็แค่นี้เอง ส, สวอมันจะไม่มีอะไระถ้าอาตมาสอบ สปอตคืออะไรอขดเคสคำตอบนะอัตมาว่าอาจารย์เนี่ยปวดหัวเลยของของ่อานอัตมาไม่ไม่ไหวเ <c oughs> พราะมันรวมหมดเลยทุกวันนี้อัตมาก็ใช้สมริสธ์ทมทำงานอยู่ตลอดเวลาก็ใช้สวอทพวกคุณเนี่ยมีแข็งอ่อนๆอยู่ในนี้ทั้งนั้นนะซัดกันซะไม่มีเป็นศิลปะในการที่จะจัดองค์ประกอบ เพราะงั้นผู้ใดสามารถควบคุมหรือจัดการกับองค์ประกอบได้อยู่ดีให้อยู่อย่างอบอุ่นสงบและก็ดำเนินไปดีมีผลมีประโยชน์มีคุณค่าพร้อมทั้งมีจุดสุนทรียภาพด้วยนี่คือองค์ประกอบสิ่องค์ประกอบความรู้ที่ มีความรู้ลึกยิ่งกว่าความรู้ยังเรียกว่าไม่ใช่ศาสตร์เท่านั้นศิลปะมีความรู้ที่จัดสรรเพราะการจัดสรรองค์ประกอบเนี่ย composition เนี่ยถึงจะรู้ทั้งหมดเลยในนี้องค์รวมและจัดองค์รวมเนี่ยให้มันไปได้ราบรื่นเรียกว่า h a r m o มนีไปให้ได้ย่างสมเหมาะสมคว ร, รเพราะฉะนั้นนี้จะมีความแตกต่างกันยังไงต่างๆนานา ก็จัดสิ่งที่แตกต่างนันให้มันอยู่ร่วมกันได้อย่างปริประนอมอย่างที่ไปได้วยกันอย่างเกิดการส่งเสริมมันมีความขัดแย้งอันพอเหมาะก็จัดสภาพขัดแย้งนั้นให้ดูดีบางอันตัวขัดแย้งก็เป็นตัวเด่นเป็นไฮไลท์ออกมาได้อะไรงนี้เป็นต้นนี่คือสภาพที่การจัดองรวมจัด composition เพราะการทำสวัสก็คือการจัดคัมปัสชั่นนั่นเองอย่างถ้าเป็นสวัสของการศึกษาทั่วไปทั่วไปเลยนะคะของโลกเนี่ย เขาก็จะได้คุณค่าทางด้านเหมือนวัตถุใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นการทําสวอตตัวเติม S อสสวของพวกเราเนี่ยถ้าจะให้คุณค่าทางเรื่องจิตวิญญาณด้วยก็น่าจะเป็นเรื่องตัวเซลฟนี่คือจิตวิญญาณกับมหาประเทศสีด้วยไหมคะสวอตตัวเเนี่ยเซลฟเนี่ยตัวจิตวิญญาณทีเดียวเพราะว่าเราควรจะทําสวอตที่ให้เห็นคุณค่าทางจิตวิญญาณด้วยใช่ไหมแน่นอนแน่นอนมันดีที่สุดที่จริงพูดกันก็จิตวิญญาณ มาดูเทรดมาดูฟิสเนสเนี่ยมัก็จิตวิญ ญ, ญาณาแล้วมันก็ออกมาทางกายกรรมวิจีกรรมออกมาทางพฤติกรรมข้างนอกกันก็มาจากมโนปุพังมันมาจากจิตเป็นประธานทั้งนั้นแหละมาจากจิตวิญญาณเป็นประธานทั้งนั้นแหละใช่ไหมก็ดีขยายความเป็นการศึกษาที่ลึกซึ้งขึ้นอีกแล้วได้รับความรู้เข้าใจดีขึ้นนะ เพราะว่าเท่าที่มองนะคะคำว่าสวอตก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันเหมือนยาขมสําหรับหลายคนที่ได้ยินนะคะก็เลยอยากให้ทําความเข้าใจว่าโอ้ยอไม่ยาขมไม่ได้เลยนะสวอตนี่แต่คนที่ไม่มีสวอตนี่หมายความว่าอยู่ที่ไหนก็ตัวรวนตัวกวนตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวไม่มีการรู้ตัวทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีพวกนี้เพราะงั้นเราจะต้องรู้จักยืดหยุนรู้จักประมาณรู้จักอนุโลมปฏิโลมกับการอยู่ร่วม อยู่ร่วมกับสังคมที่ไหนตั้งแต่สองคนขึ้นไปจกกนกระทั่งถึงล้านลานคนคุณจะต้องรู้การอยู่ร่วมถ้าคุณไม่รู้จักการอยู่ร่วมแล้ว ก, ก็ไม่รู้จักยืดหยุ่นไม่รู้จักการประฏิ ป, ปันอ์ไม่รู้จักการเข้ากันให้ดีคุณไปที่ไหนคุณก็เป็นตัวพันทั้งนั้นน่ะนะเป็นช้างพันไปที่ไหนก็เป็นพันทั้งนั้นเลยช้างพังเป็นช้างตัวเมียสัตว์ใหญ่ แต่อวดดีไม่มีงานงานก็งานเลขช่างผังแต่อย่างที่อย่างพ่อครูบอกใช่ั้มคะว่าคือถ้าถ้าผลออกมาแล้วเนี่ยยังไงก็คือมันเป็นงานศิละปะมันต้องใช้ อ, อ์ปกรณกศิลป์ต้องมีสุนทรียะในการลงมือปฏิบัติด้วยใช่ไหมคะใช่ คนที่ไม่มีแต่ความรู้ก็มีแต่สาระคดีมีแต่เรื่องของสาระสารคดีคือมีแต่เรื่องของสาระแต่คนที่มีศิลปะนี่มีทั้งเรื่องสาระเป็นแกนในวาสาระสินและมีทั้งสุนทรียสินมีสิ่งประกอบร่วมด้วยให้พอเหมาะพอดีให้พอชวนที่จะเข้าไปหาสาระอ่า เพราะฉะนั้นคนที่รู้จักศิลปะก็คือรู้จักความเป็นสุนทรียศิลป์ไม่ใช่เป็นหลงสุนทรียะทุกวันนี้ที่บอกว่าศิลปะนี่คนส่วนใหญ่ที่เรียนศิลปะเนี่ยไปหลงสุนทรียะหมดแล้วทิ้งสาระเลยเพราะไม่รู้ไม่แต่ ง, งานตัวเองทำอแก่นมอยู่ตรงไหนเนี่ยงานเราดีสาระมันอยู่ตรงไหนตอบไม่ได้เหมือนกับแต่ก่อนนี้อาตมาสนุปผู้ที่ได้ เหรียนทองประกวดเขียนภาพเข้าไปประกวดได้เหรียนทองอาตมายังจําภาพนี้ก็ได้ด้ยซ้อำอาตมาอยากจะพูดก็ไป็นศาสตระจารทุกวันนี้ได้เป็นศิลปินแห่งชาติด้วยเอ อ, เ, อ, อเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยได้รับการยกย่อ ง, อ ง, องนะแต่ทํางานนี้ไปประกวดเหรียนทองได้เหรียญทองมีคนไปสัมภาษณ์ว่าเออของท่านภาพของท่านนี่มีความมุ่งหมายอะไรมีมุ่งหมายอะไร อ, อ่ ผมก็ไม่รู้ผมก็เขียนไปงั้นน่ะเอออาตมาก็เศร้าเลยตายตายตายตายผู้เขียนได้รับเปลียนทองในตัวเองผู้เขียนสื่อออกมาเจตนาออกมาทํางานออกมายังไม่รู้เลยว่าต้องการอะไราจุดหมายอินเทรสพอยของตนที่จะสื่องานของตนเองเนี่ยมีแก่นอะไรให้เขาไรสาระเห็นไหมมันไม่รู้จะแก่นไม่รู้จกสาระแล้วก็ทํางานออกมาให้คน กได้รับเหรียญทองด้วยอาตมาก็งงทั้งอาจารย์ทั้งผู้ทำ ม, มันอะไรกันแน่วันอาจารย์หรือกรรมการบูให้รางวัลเออแล้ได้รางวัลอาตมาก็เออศิลปะมันแค่นี้กันและเนาะออในโลกแล้วก็เห็นอย่างนั้นจริงๆทั่วโลกเลยอาตมาเห็นอย่างนั้นจริงๆขออภยัยที่อาตมาต้องลบหลู่ศิลปะแล้วหลงในรูปในเทคนิคเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่มีอัตลักษณ์ในศิลปะว่าแล้วก็ไปวิจารณ์ศิลปะ พวกที่มีอัตลักษณ์ในศิลปะนี่หลงอัตตาทั้งนั้นเลยอัตลักษณ์นั่นแหละอัตตาหลงจุดเด่นของตัวเองฉันมีอัตลักษณ์ฉันมีของฉันใครมาเหมือนฉันไม่ได้ฉันเป็นคนคนคิดเจอแล้วคนนี้ยมชมชื่นคนนี้ยิ้มชออะไรก็ไม่รู้ที่เขาได้เป็นอัตลักษณ์มันเป็นเทคนิคอะไรก็แล้วแต่เป็นวิธีอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากเป็นวิธีเทคนิคเท่านั้นไม่ได้มีความสามารถในการสื่อสาระ เพราะฉะนั้นการจะสื่อสาระเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะอาให้คนสัมผัสแล้วเขาก็จะได้ประโยชน์จากสาระนี้ส่วนองค์ประกอบที่มันมีสุนทรีย ะ, ะ, ะ, ะมีสุนทรีย ะ, ะมันก็ใส่เข้าไปประกอบมีรูปรสเลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งมันเป็นรถของกิเลสรูป รถกินเสียงสัมผัสเนี่เป็นรถของกิเลสก็ใส่ไปบ้างตามฐานาที่คนมันมีกิเลสก็มันไม่แข็งเกินไปเพราะถ้ามีแต่สาระสาระคดีมันก็มีแต่เนื้อสาระล้วนมันไม่ได้ชวนใจเพราะฉะนั้นศิลปศิลปะจึงมีศาสตร์และมีองค์ประกอบในสิ่งที่สุนทรีด้วยประกอบอย่างได้สัดส่วน มันจึงเนื้อกว่าสแส飒อย่างเดียวแต่ทุกวันนี้ศิลมันมีแต่สุนทรียะมันมีแต่ของชวนรูปโลกดีเสียงสัมผัสมันไม่รู้จักสาระมันไม่รู้จักแก่นแทมันไม่รู้จักเนื้อแท้ของความรู้ไม่มัมีแก่นชิ้ทุกวันนี้มันไม่มีแก่นมันเป็นหลงเพิดออกไปหมดเลยนี่คือเรื่องของศิลปะอาตมาก็ไม่อยากพูดเพราะว่า มันเลอะไปหมดแล้วทั้งโลกทั้งโลกนะ่ะไม่ใช่มหาอะไรโลกก็แล้วแต่น้อยที่จะอยางรู้ชัดเจนในเรื่องสิ่งเหล่านี้เนีย่ยศิลปะเพราะง่ายที่ว่ากันไปเนีครับหลงในเรื่องของประโลมเก่งในการประโลมโลกไปในรูปรลกตินเสียงสัมผัสเท่านั้นไม่ได้รู้จักแกนสารเท่าไหร่จ้า ม่นดรูจกแกสันยกตัวอย่างเช่นนักร้องนักแร่นักดำพื้นบ้านพื้นเมืองประเพณีเป็นนักแร่นักดานักร้องที่คนชอบมากติดมากสนุกมากลามกมากสาระไม่ค่อยมีแต่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติเพราะกรรมการบุคัดเลือกศิลปินแห่งชาติไม่ได้มีความรู้เรื่องศิละปะ เอาคนนิยมชมชื่นเป็นประมาณเอาคนนิยมชมชื่นคนนิยมเป็นหลักอยู่มานานโอ้นิยมชมชื่นมายาวนานจนแก่แล้วเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของประเทศ อ, เอะไรแล้วพิจรารณาตื่นๆก็ได้คนเหล่านี้ไปเป็นศิลปินแห่งชาติเยอะเอาความนิยมชม ช, มชอบเอาปริมาณ แต่ไม่รู้แก่นแท้แก่นสารของศิลปะคืออะไรก็ได้คนพวงนี้ไปเป็นศิลปินแห่งชาติกันเยอะไม่ต้องเอาอะไรหรอกขออภยัยขอ ว, ว, ว, วิจัยให้ฟังแม้แต่แวนโก๊ะแวนกอกก็ดีหรือใครก็แล้วแต่เซสารมาเนี่อะไรก็ตามใจเถอะเอาแวนกอกนี่เหรอแวนกอกนี่คือคนบ้าและแกไม่รู้เรื่องอะไรหรอก แกก็เขียนไปตามความบ้าของแกเลยก็บอกว่าโอ้โหไอ้นี่เป็นเรื่องใหม่เว้ยแบบใหม่มีลักษณะใหม่ impressionist ใส่เข้าไปมั น, นยังไม่มีใครทําแกเป็นคนทําเสร็จแล้วแกตายก็ไปติดเทคนิคเท่านั้นเองเทคนิคทางภาษาศิลปะเขาเรียกว่าทีทีของแวนก็กก็เทคนิคนั่นแหละทีทีเทคนิค เป็นเทคนิคท่านั้นเองเป็นเทคนิควิธีเขียนของแกอย่างแบบนี้คนก็มาติดยุดในเรื่องของหาวิธีหาเทคนิคของตัวเองทุกคนก็ได้เลยเทคนิคตัวเองเป็นอัตลักษณ์แล้วคนนิยมชมชื่นซึ่งยังไม่เข้าใจถึงว่าศิลปะนั้นจริ ง, รงๆแล้วสื่อออกมาเพื่อประโยชน์ให้คนเกิดจิตสัมผัสแล้วนี่เกิดกระตุ้นจิตให้ได้รับตัวที่ถูกกระตุ้นนั้น เข้าไปสู่คุณค่าประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ไปกระตุน้นทุกวันนี้กระตุ้นกิเลสเท่านั้นให้ชอบอ้ยสวยโอ้งามโอ้หอมโอ้อะไรต่อไปอย่างเดียวรูปรงกิเลสสัมผสัสเท่านั้นเองไม่ได้เข้าหาประเภทของจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งว่ามันมีคุณค่าคุณงามความดีของจิตแบบนี้ เช่นจิตของเรามีกิเลสมีเอาเข้าเป้าโลกุตระเลยก็ประทับใจโอ้โหไรสาระอันนี้แต่ก่อนเราก็หลงเขาก็เลิอกออกละออกเป็นไปเพื่อความละนายคลายศิลปะที่มีคุณค่าก็คือศิลปะโลกุตระเป็นไปเพื่อความละนายคลายพอสัมผัสแล้วก็เกิดความละนายคลายแทนที่คือเกิดความติดยึด เพราะฉะนั้นศิลปะเขียนแล้วคนที่เป็นศิลปินใหญ่นี่คือโอ้โหงานของคนนี้นี่คนติดยึดเพราะฉะนั้นคนติดยึดมากๆคนนี้เป็นศิลปินใหญ่มันต้องข้ามกันเลยไม่ติดยึดละนายคลายแต่เคารพนับถือบูชาศิลปินเคารพนับถือบูชาศิลปินไม่ใช่ติดยึดแต่นับถือ นับถือที่มีประโยชน์คุณค่าแต่ไม่ได้หมายมันละเอียดลึกซึ้งนนะติดยึดอย่างประเภทที่เราว่าโอ้โหอยากจะใกล้อยากจะอยู่อยากจะชิดอยากจะสัมผัสอยากจะได้มีอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่แล้วมันก็มีอารมณ์อารมณ์ความระดิกระดีที่ได้สัมผัสแล้วมันเกิดรสมันเกิดรสมันไม่ใช่อย่างนั้นมันแยกตรงนี้แยกยากสัมผัสแล้ว โอ้นาเชิดทูลกรลบอูชากับสะพัดแล้วเกิดรถอะไรมันต่างกันเกิดรถที่รู้ว่าได้คุณค่ากับเกิดรถที่เป็นอักาธะมันต่างกันอัตมาก็ไม่ไม่สามารถจะแยกได้มากกว่านี้แล้วแยกรถอัาธะกับรถของธรรมธรรมรถอโลกียรถแยกได้เท่านี้แล้ว <laughs> อา้าวม่เริ่มต้นกันหนักนะเนี่ยอาตมาวันหนักเลยเริ่มต้นโอ้โหฮะครับกลาบเขากลั<ะ>ครับอา้บอาวเรื่องสับปะรดทำยังยังคาอยู่ใจอยู่ที่เดิมนะครับสับ ป, ปรธรรมยังคาเอาวาไป เ, า เ, าเรื่องความซื่อสัตย์ครับยังขออนุ ญ, ญาตนะครับมองมองพวกเราทุกคนก็ก็ชื่นชมลุงจำลองนะครับ คืนชมศรั huh. ทธารักไข่คุณลุงทีนี้ว่าลุงก็จะเด่นถ้าจะมองจากมองจากมุมเด็กๆของของผมเองนี่นะครับหวงว่าลุงจะเด่นในเรื่องความซื่อสัตย์ทีนี้ทีนี้เรื่องแต่ทางนั้นทางนี้เราก็มามาเชื่อหลวงปู่เนาะ ถ, ถึงจะรักลุงจำลองศรัทธาลุงจำลองแต่ก็ยังเชื่อหลวงปู่มากกว่าว่าศัพทิรร ธ, ธรรมหลวงปู่ต้องมีสูงกว่าน่นอนทีนี้เรื่องความซื่อสัตย์บางทีก็ ไปยืนยันว่าเออความซื่อสัตว์มันมันมันมันมันต้องซื่อสัตว์ไปตลอดนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอมุมมองหลวงปู่ครับเรื่องสัพพิริตธรรมในเรื่องความซื่อสัตว์กับการยืนยันตรงนี้ครับท่านครับก็เป็นประเด็นหนึ่งเท่านั้นความซื่อสัตว์ที่เป็นคุณค่าหรือคุณความดีของมนุษย์ก็เป็นประเด็นหนึ่งประเด็นอื่นๆมันก็มีอีกเยอะแยะตั้งแต่หยาบนะ ในความซื่อสัตย์นี่ว่ากันจริงๆแล้วมันก็เป็นความตรงตรงภายในและตรงภายนอกทีนี้เขามีตรงภายนอกที่เขามีกิจกรรมหรือมีพฤติกรรมที่เห็นได้มากชัดเจนเด่นดีคนนั้นก็ได้รับความยอมรับความรับรู้จากผู้คนอื่นๆมาเป็นความซื่อสัตย์ที่ซื่อตรงดีนะถ้าจตมาไปผ่านงานของโลก แล้วก็ได้รับผิดชอบในสิ่งเหล่านี้เรายืนยันความซื่อตรงซื่อสัตย์ไม่คดไม่โกงไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้อะไรต่างๆนานาพวกนี้ไปนะอัตมาก็จะได้รับความนิยมเหมือนคุณจำลองเหมือนกันแต่อัตมาไม่มีโอกาสอัตมาไม่ได้ชีวิตชาตินี้มีแต่มาทำงานไอพวกอย่างนี้มันไม่ได้ไปทเหมือนอย่างกัคุณจำลองเท่านั้นเองนะ ส่วนนักธรมาทํางานพวกนี้เนี่ยมันเป็นความซื่อสัตย์รวมหมดเลยไม่ใช่แต่แค่การแสดงออกเท่านั้นซื่อสัตย์แม้แต่ใจก็ซื่อสัตย์ต่างๆนานาซื่อสัตย์จนกระทั่งว่าไอ้มีคืออะไรไม่มีคืออะไรอย่างอย่างติดใจประเด็นที่ว่าบางทีบางทีว่าเออทาไม ทำไมว่ายืนยันการยืนยันมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับว่าแต่บางอย่างจะจะเปลี่ยนแปลงบ้างได้ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับว่าอย่างอย่างแม่หมือนยากนอทิถามมาเนี่ย <c oughs> ทำไมยืนยันสิ่งที่ยืนยันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมหมายถึงหมายถึงอย่างคือคาใจนะครับว่าอย่างอย่างอย่างตรงตรงก็คือว่าอย่างลงอยู่เอสทีวีอย่างนี้ครับว่า ให้ลงลงทำไมต้องอยู่ตรงนั้นนานขนาดนั้นต้องทุ่เทขนาดนั้นอย่างนี้ครับเรื่องนี้นี่นะมันจะพูดไปแล้วนะีเป็นเรื่องอจินไตที่ซับซ้อนมากนะซับซ้อนมากอาตมาก็ไม่ไม่รู้ทั้งทั้งหมดทั้งอจินไตในเรื่องของวิบากกรรมแต่รู้ถึงความจริงความจริงใจ ที่คุณจำลองมีและก็เข้าใจถึงเรื่องของโลกและก็ทำไปตามโลกส่วนนามมารมนั้นนามมาทำนั้ น, น, าา น, นลึกๆในประเด็นที่คุณสงสัยเนี่ยอาตมาก็ยังเชื่ออยู่ว่าสักวันหนึ่งเหตุปัจจัยที่แกไม่ได้เป็นคนทําคุณจำลองไม่ได้เป็นคนทําแต่เหตุปัจจัยที่มันอีกอันหนึ่งมันพลากไปเองคุณจำลองก็หมดหน้าที่ได้ แต่ทีนี้คุณจะลองท ห, หมดหน้าที่ไม่ได้เพราะก็เรื่องนี้เรื่องโลกโลกอะ่ะเดี๋ยวมันไปไม่ดีผลากไปมันก็มีดีเพราะงั้นก็เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนให้เป็นไปมันก็คงจะเป็นไปของมันเองแหละนะก็ได้หรือบอกแล้วอาจินไตว่ามันมีอะไรมาตแต่ปางไหนต้องอุปการะกันมาอย่างโน้นอย่าง น, องอางนี้แต่ชาติปางไหนจตมาไม่รู้เรือ่องกรรมวิบากอันนี้ก็ตอบไม่ได้ นะเพราะนั้นก็เราก็ดูนะก็ไม่ได้ไปพาทมคือคุณจำลองไปช่วยทางเอเอซีบีนี่ก็ดีว่าไม่ได้ไปพาทำแย่พาทาสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่ทางโน้นไม่ได้ไม่ได้ขอบอกว่าทางโน้นไม่ได้จากคุณจาลองไปได้แต่วัตถุไปได้แต่วัถไไตวถุไม่ได้นามธรรมาเช่นยกตัวอย่างง่ายที่สุดเลย คุณจำลองไปเสียสละเต็มที่แต่พวกนั้นโลภเต็มที่อย่างนี้เป็นต้นจบแค่นี้พอเดี๋ยวจะหาว่าเขามาไม่ได้ถอดถอยเลยแทนที่จะรู้สึกว่าเออเราควรจะต้องเป็นอย่างคุณจำลองนอลด ล, ด ล, ด ล, ดลดมันก็แย่ลงมาก็ทุกหมดเลยสแสดงไม่มีใครสแสดงออกเลยเห็นไหมอาตมาจะบอกว่าโอ้กวกวานไปวิบากคุณจำลองเอง แต่มันลึกนะมันมีเหมือนกันสิ่งที่อาตมาเห็นในเรื่องของทาง a อ t อทวนี่อย่างนึ่แต่พูดไปแล้วมันก็จะต้องไปวิจารณ์เขาเนาะก็วิจารณ์นั่นแหละมันวิจัยที่จริงมันไม่ใช่วิจารณ์เพื่อที่จะไปด่าไปทออะไรกันหรอกวิจัยให้ฟังสิ่งที่เขาได้มันมีลึกๆอยู่เหมือนกันเช่นพอ เหตุการณ์ของกิจการของเขาแย่ลงมาถูกปิดนี่เป็นต้นโอ้โหตอนนี้เดือดร้อนเงินดาวเงินเดือนก็ไม่พอหมุนมาจ่ายเพราะว่ามันไม่ได้กิจการมันถูกตัดถูกรอนลงไปอะไรกับกองโหดก็หายไปเดือดร้อนกันไม่พอไม่พอเขาก็เสียสละออกไปช่วยกันคนละม้าคนลมือผู้ที่ใจแข็งผู้ที่มีคุณธรรมไม่ยอมพลากไปไม่ยอมลาออกอยู่ ตายเป็นตายอยู่ร่วมหัวกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาได้เป็นสิ่งที่เขาได้คนที่อยู่นะเนี่ยเขาทนะําทำแล้วเขาได้ส่วนคนที่ไม่ไหวออกไปนี้จากทิ้งเรือเรือลํานี่จะล่มแล้วทิง้งเยยังไม่ทัน ล, มล่มเนทิ้งก่อนเลยแทนที่จะช่วยกันขอบคู้เรือทิง้งเรือไปเลยมั น, นก็เป็นไปตามจริงอะไรนี่เป็นต้นแต่เราอาจจะมีเหตุปัจจัยที่มากกว่านั้น ว่าเขาจำเป็นครอบครัวเขาก็อยู่นี่โอ้โหมันไม่มีเงินได้ไดมาเขาก็ทำไม่ได้เขาก็อยู่ไม่ได้ครอบครัวเขาแยกก็เป็นได้ก็มันมีเหตุปัจจัยเยอะอาตมาก็พูดคลงคลงเรื่องจับหยาบจะใหญ่เท่านั้นส่วนจะมีเหตุปัจจัยที่มันละเอียดกว่านี้มันอาจจะเป็นได้นะก็อธิบายสู่ฟังแต่ประเด็นที่มันได้ก็มีคนที่ยังเสียสละอดทนไม่ ไม่ทิ้งกันอะไรต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีนันคืซับซ้อนพวกนี้สรุปแล้วก็คือเหตุการณ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่มันเป็นข้อสอบให้แกมนุษย์เหตุการณ์อะไรต่างๆมันเป็นข้อสอบมนุษย์คุณจําลองนี่ไปทําเหตุการณ์นี้เข้าแล้วก็ไปอยู่จงกระตั้งเดี๋ยวนี้จงกระตั่งคุณยังสงสัยว่าทําไมไม่ออกมาเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ของชีวิต ซึ่งเราไม่รู้ลึกเข้าไปก็คือวิบากเราไม่รู้วิบากกรรมเก่าๆก่อนๆแต่แม้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้เป็นความเสียหายนีย่ถ้าจะว่ากันแล้วแต่เราดูเป็นแต่เพียงว่าเรามองในแง่ด้านของเราซึ่งเราไปมองว่าอันน้นมันมันมากไปละมันน่าจะพอละมันน่าจะวางมือได้ละเราก็มองในแง่ของเราเท่านั้นเอง แต่ก็ไม่เป็นไรนี่คุณจำลองก็ไม่ได้ทิ้งพวกเราก็ไม่ได้ทิ้งนี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็วทางเราก็ดูก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ลดน้อยลงที่จะมาร่วมอะไรกับเราเรามีความต้องการจะร่วมอะไรก็มาอยู่แต่อาจจะไปช่วยถนนมากหน่อยเพราะถนนมันน่าช่วยมากกว่าพวกเราเนี่ยน่าช่วยน้อยกว่าเพราะเราช่วยตัวเองได้ดีกว่าถนนช่วยตัวเองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็เลยต้องช่วยตรงโนนก็ถูกแล้วนี่ใช่ไหมทางรถเดือดร้อนมากกว่าเพราะเขาลดไม่ได้เขาติดอยู่เขาอะไรอยู่ก็ต้องช่วยเขาไปแต่ของเรามาลดได้แล้ว่าโทรสบายนอ <c oughs> <c oughs> มาสองแผ่นลูกอยากสอบถามว่าพ่อครู การที่เรารณรงค์เรื่องการงดใช้ถุงพลาสติกเพื่อบรออบรจุอาหารที่อุทยานเป็นเรื่องดีหรือไม่ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือดีมากโดยการนำภาชนะมาบรรจุอาหารเองมีทั้งปิ่นโตและกล่องพลาสติกและภาชนะของลูกค้าก็มีขนาดต่างกันจึงทาให้บรรจุอาหารไม่เท่ากันจึงมีการคิดเงินค่าอาหารโดยการใช้ช่างน้าหนัก แล้วตีออกมาเป็นตัวเงินในวงเล็บร้านอาหารของเราบางทีก็มีลูกค้าและญาติทรรมนนำผักมาบริจาคโงเลบิดเพราะครูคิดเห็นว่าร้านเราควรปฏิบัติเช่นไรหรือเพื่อให้สมศักดิ์ของคำว่าบุญนิยมอ่าที่จริงแล้วมันมีารายละเอียดในการปฏิบัติทั้งนั้นแหละมีส่วนที่มันไม่สมบูรณ์ทั้งนั้น สิ่งที่สมบูรณ์ที่สุดลงตัวที่สุดคือศูนย์นอกจากศูนย์ไม่มีอะไรลงตัวเริ่มต้นตั้งแต่ทศนิยมจุด0 0 0 0 0 0 0 0ยนหนึ่งนั่นคือความไม่ลงตัวไม่สมดุลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคุณจะไปเอาความลงตัวที่ไหนที่มันเคลื่อนไหวอยู่ไม่มีนา ไม่มีการเคลื่อนไหวอยู่ไม่มีอะไรสมดุลลงตัวมันต้องมีแรงอะไรอันหนึ่งกระตุน้นแรงมันถึงจะเกิดการหมุนถ้าไม่มีแรงกระตุน้นไม่มีอะไรมีแต่หยุดหยุดไม่มีอะไรกระตุ้นก็หยุดหยุด ห, ด ห, ดหดแล้วก็จบศูนย์หายไปเลยเพราะนสิ่งที่ทานี่ก็มีส่วนได้ส่วนไม่ได้เป็นธรรมดาธรรมชาติที่มัน มีอะไรมากอะไรน้อยที่มันไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าท่านสรุปลงที่ความไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันไม่แท้มันไม่เท่าเท่าเดิมมันมีมากมีน้อยตลอดเวลานะเพราะงั้นเาเข้าใจความไม่เที่ยงอันนี้จิตีาได้แล้วเรียบร้อยคุณจะไม่ติดใจแล้วชีวิตของคุณจะไม่ทุกข์เพราะเข้าใจในอันนี้จังเข้าใจในความไม่เที่ยงอ๋มันก็ไม่เที่ยงพราะที่มาถามนี่ก็คือยึดจะเอาอย่างนี้ เอาอย่างนี้ทําไมมันจังนี้อยู่วะนี่ที่ถามมานี่สรุปไปฟังมันบอกว่าอาธนาเราต่างคนต่างคิดต่างคนต่างพราะกันกระทาช่วยกันให้ดีที่สุดมันไม่ได้ดังใจคุณคิดว่าควรจะเป็นหรอกมันมันไม่ได้อย่างนั้นหรอกเพราะคนต่างๆนาน า, นาเป็นองคอ์ประกอบมันไม่เหมือนกันคนนี้มาทําอย่างนี้เออว่าดีไอ้คนนี้มาทําเหมือนอย่างนี้คุณก็ว่าไม่ดีแล้วเพราะคุณติดต้องแบบนี้จึงจะดีแบบนี้ไม่ดี มันก็ดูประมาณว่ามันไม่พาสูญเสียมากเกินไปและดูเจริญอยู่ยังรณรงค์เรื่องพัสติกเนี่ยที่เชียงใหม่เขาทำได้ก็เป็นเรื่ององค์ประกอบของเชียงใหม่ทั้งบุคคลผู้กระทำและทั้งประชากราเขาร่วมมือกันเลยทำได้ที่อุบนเนี่ยก็ได้แค่ท่วานี่แหละ มันก็มีทั้งพวกเราและพวกเขามีทั้งค น, ค, นคนที่เข้ามารับบริการทั้งเราเป็นผู้บริการมันก็มีทั้งสองด้านเพราะก็จัดสรรส่วนไปแต่ถ้าเราทําว่ามันดีก็ทําไปให้ได้เท่าไรก็เท่านั้นมันได้ดีขึ้นก็ทําต่อมันได้ไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนแปลงก็ไปอย่างนี้แหล ะ, ะก็ได้ทอาที่มันได้เพราะงั้นอยู่ที่ว่าคุณต้องการจะยึดให้มันดีมันสําเร็จ มันขึ้นอยู่กับทั้งองค์ประกอบรุนไม่ใช่เราคนเดียวพวกเราก็ด้วยคนข้างนอกเขาก็ด้วยและมันได้เท่านี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะก็พากเพียนไปคุณจะทําคุณจะพยายามทําก็ทําหลายคนเขาไม่ทํนะเขาปล่อยแล้วเขาไม่ทํา ก็ไม่เป็นไรเราร่วมงานกันคนนี้เขาไม่ทําก็ไม่ทําเราทําก็ทําก็ไม่ต้องไปดังเกตดังงอนอะไรคนที่เขาไม่ทําเราจะทําเราก็ทําเพราะฉะนั้นเราเคร่งที่เราจึงเรียกว่าเคร่งที่ตนพ่ปรนผู้อื่นจบคําตอบ <c oughs> <c oughs> มีความรู้สึกว่าตั้งแต่มีนักเรียนอาชีวะขึ้นมาซึ่งแยกส่วนจากสมาสิกขา สัพัได้ว่าเด็กนักเรียนอาชีวะจะไม่ค่อยมีสมาคาระวะกับผู้ใหญ่ในชุมชนหรือผู้คนอื่นทั่วไปนอกจากครูที่อยู่ในสายการศึกษาของตนเท่านั้นเมื่อเทียบกับเด็กสมาคิศึกษาสายสามัญแม้จะดือ้อแต่เมื่อเห็นผู้ใหญ่ก็ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่บ้างและอีกอย่างรู้สึกว่าเด็กทั้งสองส่วนนี้ขาดการทากิจกรรมร่วมกันอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ ทำาให้เด็กขาดความเป็นพี่เป็นน้องกันขาดการเคารพซึ่งกันและกันอันอาจจะนาไปสู่พวกใครพวกมันหากความรู้สึกนึกคิดนี้ไม่มีมูลความจริงเพราะไปคิดคิดไปเองก็ขออภัยแต่ถ้าหากมีความจริงอยู่บ้างพอท่านช่วยชี้แนะเดยครับจริงเป็นความจริงเกิดอาการอย่างที่ว่านี่จริงเพราะอะไรเพราะมันตีวงแคบเข้าไปสู่ พฤติกรรมพฤติกรรมงานงานมันจะเฉพาะเข้าไปเขาก็ไปทำงานส่วนเฉพาะเข้าไปเขาไม่ทำงานส่วนรวมสมาชิกขานไม่ได้เฉพาะเลยว่าเขาจะทำงานส่วนไหนเป็นเป็นเฉพาะไม่มีเพราะนั้นเขาก็จึงอยู่ร่วมกับทุกเจ้าได้มันเป็นธรรมชาติแต่นั้นไม่เป็นธรรมชาติแล้วเฉพาะและเขาก็ได้จุดเด่นจุดดีของเขา ทำงานเฉพาะเหมือนกับสุนทรผู้สอนนะรู้อะไรให้รู้แต่อย่างเดียวขอให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลสุนทรผู้เขาก็พูดมันก็เป็นความรู้สาคลจริง s p e c i a l ลิสมันก็เฉพาะสิ่งนี้เราชำนาญสิ่งนี้ดีสิ่งนี้มันก็ทำได้เด่นได้ดีเวลาแรงงานความสนใจเอามาทำอันนี้หมดมันก็ดีก็เด่นก็หลงงานหลงผลหลงอะไรต่ไรของตัวเองก็จึง เคารพและนับถืออันนี้มากกว่าไอ้รวมๆ ม, มันจึงแยกแยกคนเหล่านั้นออกไปโดยปริยายออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อ ย, ออป เ, อยเป็นจริงเพราะฉะนั้นนักเรียนอาชีวะที่อยู่ในนี้ถ้ารู้มีโอกาสมีเวลาก็เข้ามาเถอะมารวมมาอะไรแต่ไรบ้างแต่จะให้มันเหมือนกับ น, นักเรียนสามัญที่ไม่ได้จาเพาะเจาะจงอะไรเลยหนึ่งเดียวทำได้ทุกอย่างออาวัน น, น, น, น, นี้มีอันนี้บนนี้มีอันนี้ ตลอดปีตลอดปีหน้ากันเป็นอย่างนี้นไม่ได้มีเด่นไม่ได้มีอะไรอาชีวะนี่นะอาชีวชะช่างกระชังมันตลอดจนกระทั่งจบนกะกสิกรรมก็กสิกรรมตลอดมาทั้งจบอะไรเงี่ยมันก็จำเพาะของปัของมันไปมันก็เลยไม่ได้ไปร่วมกับอันอื่นแล้วมันเป็นธรรมชาติธรรมดาพยายามจะแก้อย่างไงก็นักเรียนอาชีวะที่จำเพาะนั่นแหละอย่าไปเห็นว่าไอาการไม่ ส, สมาน ไม่สัมพันธ์ไม่มีน้ําใจไม่เกื้อกูลผู้อื่นนั้นมันไม่ต้องหรือมันกลายเป็นเราเองเผลอจิตมันแข็งกระดา้างจิตมันไม่เอาอื่นเอเอคนอื่มันไม่ใช่สาระสาระของโออันนี้โอชอบอยิ่งชอบใจโอ้ยิ่งดียิ่งเด่นยิ่งอะไรนะยิ่งตอนนี้โอ้โหเก่งได้รังวงรังวันไนดะ้เป็นที่ยอมรับอะไรมันก็ยิ่งหลงตัวเองไอ้พวกนี้มันลงอัตราไม่รู้ตัวเพราะงั้นก็จะต้องรู้ความจริงอันนี้ให้ได้ แล้วก็รู้จักสังคมรู้จักการสัมพันธ์รู้จักการอยู่ร่วมกันนะแม้เราจะมีเวลาน้อยเราก็พยายามมันก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเราหลงไปเลยมันก็จะพาเราดิ่งไปอันโน้นเลยมันก็ยิ่งจะไปขันใหญ่แต่ถ้าเราเข้าใจเราก็จะคนมาบ้างและคนอื่นๆถ้าเข้าใจอย่างที่อาตมาอธิบายก็ต้องเข้าใจเข้ามมันเป็นอย่างนี้ของเขาเพราะฉะนั้นคนที่ปล่อยไม่ปล่อยให้เขาไป เป็นผู้ที่ชํานาญพิเศษ Special ลิสเฉพาะอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดความชํานาญพิเศษในกิจการต่างๆก็ต้องให้เขาทําอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาขาดสิ่งนี้แต่เขาไปได้สิ่งโน้นเราก็ต้องรู้ถ้าเข้าใจายอย่างนี้ล้วก็หมดติดยึดก็ต้องให้เขาเก่งทางโน้นขาดสิ่งนี้นะแต่พวกนี้ก็ได้แบบเป็ดอะไรทำไม่เป็นอะไรแบบเป็ด แต่อันน์จนเขาจะเป็นอะไรแบบอะไรอ่ะนะนะฟุตเชื่อชาแน่ใช่อันนี้มันแบบเป็ดอะไรได้อันนี้ก็ได้จะให้บินก็บินได้จะให้เดินก็เดินได้จะให้วิ่งก็วิ่งได้ไว่ายน้าก็ว่ายไดกย้ก็ได้แบบเป็ดเ้าว่าแบบเป็ดก็ไม่เป็นไรน่ะ เราก็ต้องรู้รู้เข้าใจแล้วเราก็ไม่ไปติดยึดไม่ไปเพ่งโทษกันมันก็เป็นไปก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ายังเพ่งโทษอยู่มันจะมีปัญหาเราก็ต้องรู้จุดได้จุดเด่นนี่แหละจุดได้จุดเด่น s t r e n g t w e a n e s s นี่แจุดได้จุดเด่เนของอะไรในอง์รวมของอะไรต้องเข้าใจค่ะกราบขอการกราบนมัสการพระท่าน ธรรมศส ก, การท่านสมณะและศิขมาธรค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะเดี๋ยวฉันมีคำถามอยู่ว่าเมื่อเช้าได้ฟังพ่อท่านอธิบายถึงเรื่องการที่จะ อ, อ, อะไรนะคะวนเวียนรอบใหม่ของการปฏิบัติปฏิบัตินะคะค่ะ นะะปฏินิสขะน ะ, ะ, ะนาคะปฏิิสะทำอย่างไรเราจึงจะก้าวข้ามขึ้นไปเรื่อยๆได้ถ้าถ้าถ้าสมมติว่าเราเรานิสขะลงมากลัวว่ามันจะตกนะคะพอลงมาแล้วกลัวจะมาหลงกลัวว่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ อย่างถ้าหากว่าเป็นคนขับรถนะคะถ้าจะขึ้นสูงขึ้นไปอีกเขาก็จะต้องเปลี่ยนเกียร์นะคะถ้าเป็นธรรมะนี้เราจะเปลี่ยนเกียร์ยังไงคะท่านเออ <c oughs> เขาถามํถามใช้จำนวนภาษาง่ายดีแล้วเปลี่ยนเกียร์อย่างนี้คือเราต้องรู้อ่าเต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนเกียร์เนี่ยเราต้องรู้ในนาวัานนี้เออนี่มันถึงรอบที่เราจะต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วนะ มันจะต้องใช้แรงน้อยลงแต่ใช้มันมีลักษณะหนึ่งแรงกับสองเร็วตอนนี้เราจะต้องลดความแรงแต่ใช้ความเร็วเพราะเกิดความคล่องตัวขึ้นเยอะในเรื่องของรถนี่นะเพราะนั้นเ็าเปลี่ยนเกียร์เป็นตัวรอบสูงแต่แรงลดลงแต่ถ้าบอกว่าโอ้ไม่ได้เรานี่มันมันเร็วแล้วเนี่ยมันจะต้องใช้แรงมากเพราะมันขึ้นไม่ไหวแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนความเร็วมาหาความแรง ถึงจะเปลี่ยนเกียร์มหาแรงตเกีรเกียร์ต่าเพื่อจะใช้แรงเพิ่มขึ้นเราก็ต้องรู้ความเหมาะสมของสภาวะสภาวะตอนนี้ต้องใช้อนี้สภาวะตอนนี้ต้องใช้อนนี้มันไม่เที่ยงมันเหตุปัจจัยที่มันจะสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลามันไม่เที่ยงเราก็จะต้องรู้พอว่าเอันนี้มันจะต้องเปลี่ยนให้มาเข้ากับอันนี้อันนี้ต้องเปลี่ยนมาเข้ากับอันนี้ให้ไม่ได้ทัน สภาวะการเปลี่ยนได้เข้าสภาวะได้เร็วได้เปลี่ยนได้เร็วนนี่แหละคือสภาพมุทุตาความอ่อนไวไมันจะอ่อนไวนะอ่อนไวจิตหัวอ่อนเพราะเราจะปรับได้เร็วได้ไวก็ต้องมีปัญญารู้ว่าเออตอนนี้ควรเปลี่ยนเป็นอะไรควรเปลี่ยนเป็นแรงหรือควรเปลี่ยนเป็นเร็วอย่างเหมาะสมอ่านะ เราก็ต้องรู้ความจริงแล้วก็ทำตามความจริงอธินี้ไปอธิบายถึงว่ายังไงมันจะตกลงต่ำแล้วมันจะขึ้นสูงคุณก็ต้องรู้ว่าสูงหรือต่ำเมื่อกระแรงก็เร็วเมื่อคุณรู้ว่าสูงหรือต่ำเรารู้แล้วว่าโอ้นี่เราขึ้นสูงแล้วสูงสูงสู ง, ส ง, สงไปถึงขั้นนี้แล้วนะเราจะตัดรอบแล้วตรงนี้อันนี้แหละคือปฏินิสกะถึงรอบใหม่ตัดรอบนะั้นอันนี้ตกลงจบเช่นเราถือศีลห้า การฆ่าสัตว์เราก็เอาแต่ฆ่าสัตว์เรามีการฆ่าสัตว์จริงๆเลยการฆ่าสัตว์มีชั่วมากกว่ากันเช่นฆ่าโดยหลงกับฆ่าโดยรู้ฆ่าโดยรู้คือฆ่าอยากฆ่าฆ่าแล้วสนุกฆ่าแล้วสะใจฆ่าแล้วมันบำเรอกิเลสตัวเองไอ้ยังนี้ฆ่าอย่างพวกลาสัตว์เนี่ยหนึ่งลาสัตว์ในฆ่าโดยความโลภ สองล่าสัตว์ฆ่าสัตว์ด้วยความโกรธก็เข้าใจนะฆ่าสัตว์ด้วยความโกรธก็คือฆ่าด้วยความโกรธอันนึงก็ฆ่าด้วยความโลภถูกหลอกยังไงก็ตามแต่ฆ่าด้วยความโลภเพราะถ้าฆ่าด้วยความโลภฆ่าด้วยความโกรธคุณก็มีโทษแทนแต่ถ้าฆ่าด้วยความหลงไม่รู้เขาให้ฆ่าก็ฆ่าไปคนนี้ก็โทษก็เบากว่า เพราเราก็ต้องรู้ว่ารอบที่เราทำํำถือศีลข้อหนึ่งเนี่ยเราอยู่ในตนที่ไม่รู้หรือเรารู้ว่าเราค่าด้วยความโลภความโกรธนี่มันแย่นะคุณเลิอกอย่าไปค่าด้วยความโลภหรือความโกรธด้วยความหลงเออแล้วเราค่าไปทําไมนงๆแล้วเก็ตรวจสอบตัวเองว่าค่าทําไมเช่น บางทีก็ฆ่ามันเล่นๆไม่ได้โกรธมันไม่ได้รักมันหรอกฆ่าเล่นๆอย่างฆ่าสัตว์เล็กพวกเราเนี่ยเคยทั้งนั้นคนะ่ะฆ่าเล่นๆบางทีสนุกสนุกไปเล่นๆแต่ไม่รู้ฆ่าทำไมและก็ไม่รู้ว่ามันมีชีวิตนะเพราะนั้นในกรอบที่พากันฆ่าสัตว์เลี้โลูกหลงอะไรอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เมืองไทยเป็นเมืองพุทธ ศีลข้อหนึ่งนี่ถือกันมาตั้งแต่พุทธมีก่อนจะเกิดประเทศไทยอีกศีลข้อหนึ่งก็มีมาแต่ไหนแต่ไรแต่ก็ไม่เคยเรียนรู้แลสะสดุดใจว่าไอการฆ่าสัตว์นี่คือสัมพันธ์กับสัตว์เขาก็ชีวิตเราก็ชีวิตมันจะเกิดความนึกซึ้งอย่างไรมันไม่ได้เรื่องสักเทเลยกรอบนี้อาตมา ก, ก็เลยมายกกรอบสูงขึ้นเป็นไม่กินเนื้อสัตว์พอไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็อธิบายก็เห็นว่าเขาก็ชีวิตเราก็ชีวิต ทำไมต้องเอาชีวิตเข้ามา เ, าเลี้ยงชีวิตเราทั้งๆที่เราเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินพืช น, นี่ก็เลี้ยงตัวเองได้อย่างดีด้วยแต่ลืมเลือนไปเป็นหลงผิดถูกชี้ชวนมาตะตะปางไหนก็ไม่รู้ไปกินเนื้อสัตว์จะพูดยังไงก็ไม่เข้าใจเลยทั้งๆที่มีหลักฐานยืนยันเลยไม่ว่าจะเป็นอวัยวะไม่ว่าจะเป็นลำไส้ไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ อะไรล่ะเขาเรียกอะไรอะน้า ย, ย, ย่อยหรือว่าอะไรนั่นแต่ไอ้อะไรเขาเรียกอะไรเอนไซม์ต่างๆมันไม่เหมือนกันหรอกสัตว์กินพืชกับ ส, สัตว์กินเนื้อนี่เอาแต่รูปธรรมที่มันยังไม่เปลี่ยนเนี่ยสัตว์กินพืชมันก็ต้องเป็นเล็บสัตว์กินพืชก็ไมต้องเป็นกรามไม่ใช่ฟันเคี้ยวอะไรนี้เป็นต้นง่ายๆ เเราก็จะเห็นได้ส um, ัตว์อื่นๆที่เขาสื่อสัตว์อยู่เลยช่างม้างงวควายเขาก็มีเนลมีสัตว์เป็นกีบไม่ได้เป็นเนไม่ได้เป็นครอไม่ได้เป็นไอ้ฉีกเนื้อฉีกอะไรอสัตว์ที่ฟันเขี้ยวฉีกเนื้อมันก็ชัดเจนมันก็กินเนื้อสัตว์ไอ้เล็บเนลมันก็กินพืชก็เห็นอยู่ทั้งหมด หรือแม้แต่กินน้ำสัตว์กินพืมนชมันกินน้ำมันก็ดูดเอาสัตว์เขียวมันกินน้ำมันเลียเอาอะอ่มันเลียเอ า, อเเอาสัตว์กิน น, น้ำ เ, เนี่ยอสัตว์กินสัตว์กินสัตว์เนี่ยแต่สัตว์กินน้ำเนี่ยมันอ่สัตว์ดูดเลยสัตว์กินพืชนี่ดูดเอาแม่วาชางมางวควายมันดูดเทั้งนั้นเน่ แต่ไอพวกหมูหมาเสือสิงอะไรมันแปรเปลี่ยวไอ้นี่ก็เป็นธรรมชาติธรรมดาง่ายๆหรือแมแตรเร่เล็ดเมแต่เขี้ยวนี้ง่ายลําไส้ก็เขาก็พิสูจน์อะไรอีกหลายๆอย่างไอ้นี่มันของหยาบ ท, ท, ท, ที่เราไว้นะอัตมาก็พยายามที่จะมายกฐานนักตัดรอบขึ้นมาเพื่อที่จะให้ศึกษานี่เป็นความตั้งใจของอัตมาจริงนะว่าให้มาปฏิบัติเพราะงั้นพวกเราจะมาปฏิบัติไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเนี่ย มันก็คือคุณเป็นหลงทิศไปกินเนื้อที่มันไม่ใช่อาหารอันควรกินนะเพราะในยุคนี้เป็นยุคปัญญาแล้วสมัยพระเจ้านะั่นน่ะหนึ่งคนเขารู้ดีอยู่แล้วว่าไม่กินเนื้อสัตว์นะเป็นนักบวชเพราะฉะนั้นนักบวชของชาวพุทธไม่มีนักบวชคนไหนมีนักบวชคนที่เข ย, ยังติดยึดอยู่พระพระเจ้าถ้าไม่ไม่ไปบังคับที่เขายังอะไรทัอนโลมกันน้อย แม้แต่เทวทัตเทวชั่วชั่วก็ยังกินมังสวิรัตเห็นไหมแม้แต่เทวทัตเนี่ยนะเทวชั่วชั่วเนี่ยเยังกินมังสวิรัตเทวทัตไ ม, ม่ได้ไปกินเนื้อสัตว์นะไม่ใช่คนเลวนะเขารู้นะเขารู้ทั่วไปงไงเป็นความรู้พื้นๆของคนยุคโนนคุณธรรมเขารู้กันหมดนะแล้วเขาก็รู้พอที่กินก็คือพวกกินเท่านั้นเอง พวกไม่กินก็กรนับถือกันทั้งนั้นนะไม่กินเนื้อสัตว์นะเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้านี่เป็นพราหม์เป็นพราหมณ์ชั้นสูงด้วยแล้วเรื่องเราจะไปกินเป็นฮินดูชั้นสูงไม่ได้กินเสัตว์มาแต่ต้นเลยจนสุดท้ายพระเจ้าไม่เคยฉันเนื้อสัตว์สักทีแต่เกิดจนกระทั่งตายไม่ได้ฉันเนื้อสัตว์หรอกแต่คนมันไม่ไม่เข้าใจสัจจะทั้งหมดนั่นมันก็ไม่รู้อ่าไม่มีอะไรหลายๆอย่างแม้แต่ที่สุดอรจินไตหลายๆอย่างมั มันพูดไม่ได้อัตมาพูดก็ไม่ได้เพราะงันการที่จะรู้รอบของการที่จะเพิ่มภูมิเนี่ยนี่เป็นการอัตมาใช้การเพิ่มภูมิมาให้คนศึกษานี่ก็คือรอบอย่างหนึ่งเพราะงั้นการจะรู้รอบของเราเราก็รู้รอบของเราว่าเนี่ยเออแล้วคนจะยกฐานะอันนี้แล้วนะเจ่นคุณติดอบายยามุกอันนี้คุณก็ยัง เอ๊มันควรจะเลิกได้แล้วนะตัดขาดได้เรายกฐานะของเราขึ้นเถอะนี่คุณก็ตัดรอบเพราะคุณยังหลงสักขะแปลว่าสวรรค์ยังติดมันอยู่มันยังดีนะมันยังยัง่นอย่างงี้อยู่แต่ถ้าคุณเห็นว่าถึงดีก็ตัดใจนะเอานะมันยังไม่ขาดทีเดียวก็ตัดใจแต่ถ้ามันขาดจริงๆคุณก็ไม่เอาเองอ่ะมันก็เท่าก็ตัดรอบขึ้นไปหาไม่เอาแล้วไอ้นี่ไม่ต้องสวรรค์แล้เฉยๆกับมันแล้วชินชาแล้ว เขาก็ตัดรอบก็ไปสู่ทางสูงขึ้นไม่เอาอันนี้มันก็ทิ้งอันนี้ขึ้นไปมันก็เป็นธรรมดาแต่ถ้าคุณเข้าใจว่าอ๋อนี่ควรเลิกตัดรอบได้แล้วเราพอหยุดศึกษาให้ดีทั้งกฎข่มทั้งศึกษาด้วยปัญญาแล้วเราไม่เอามาละเว้นขาดเว้นขาดเว้นขาดตั้งแ้งทินมันไม่รุนแรงแล้วคุณก็ยังไม่ยอมเว้นขาดอยู่นั่นนะคุณไม่ยกฐานะเป็นปฏินิสักะไม่ตัดรอบกันไปทักที คุณก็จมอย่างนี้นะกี่นานเท่าไรอีกล้านชาติคุณก็จมอยู่ตรงนี้ไม่ตรวจตัวเองว่าตัวเองควรจะปฏินิสัทข์ขัดอย่างควรจะสลัดออกปฏินิสัทขัดก็แปลว่าสลัดออกคุณก็ไม่ออกทีคุณก็อยู่จมก็มันอยู่ยงั้ยในเมื่อไหรมันจะได้เรื่อนชั้นพอเข้าใจขึ้นน ะ, อ, ะอย่าไปหลงสวรรคนะ์นั้นควรจะทิ้งสวรรค์นั่นได้แล้วเลิกได้แล้วเดินชั้นๆไป ถ้ามันแรงถ้ามันไม่ไหวก็แน่นอนแหละมันก็ต้องพลากไม่ได้เลิกไม่ได้เดี๋ยวตายเหมือนพกติยาชักดินชะงงประสาทช็อกตายแต่นี่มันรเราเถอะเราก็ทนได้มันก็ไม่ได้อยากจะทนเท่าไหร่ก็เลิกกะทีตองแตง่งตองแต่งอยู่เนี่ยเราเมื่อสวรรค์หลอกลวงๆแค่เนี่ยจะแรงก็ไม่แรงจะเบาก็ไม่เบ า, เบาอยูเงี้ยไปอีกนานเท่านานเป็นพวก รัตตพิรตโสดาพวกจมอยู่ในรถอะไรเนี่ยไม่เคยออกอย่าไปเอาอย่างวิสาขานางวิสาขานี่เป็นพวกเอาวิสาขานางวิสาขานี่แหละนางวิสาขานางวิสาขาไม่ใช่วิสาขาวิสาขานางผู้ชายนางวิสาขายาไปเอาอย่างติดความสุขสบายอยู่เงี้ยนาน ระตาพิระตาโซดากลาข อ, อการค่ะกล่รักรการพ่อท่านท่านสมณะสิคขามาเจริญทัพพี่น้องทุกคนค่ะเทียมดินค่ะมีมีเรื่องจะสารภาพกับพ่อท่านนะคะอ้าวคือเคยไปขอรุ ญ, ญาตพ่อท่านไปอยู่ภูผาค่ ะ, อะพอพ่อท่านก็นไม่อนุญาต แต่ความความดื้อของตัวเองค่ะก็หนีพ่อท่านไปอยู่อแล้วก็เจอวิบากค่ะอ๋อเจอวิบากเจอวิบากเยอะที่มีภาษาไทยเขาเรียกว่าสมน้ำหน้าก็เก็บไว้ตั้งนานไงก็ไม่กล้าสารภาพกับพ่อท่านค่ะวันนี้ได้โอกาสอ่ะค่ะก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะ คือมีคนดูแลและอย่างสุขภาพค่ะตัวเองป่วยค่ะมีคนดูแลสุขภาพเราจะตอบแทนบนคุณผู้ดูแลเราขนาดไหนนะคะพ่อท่านตอบแทนเท่าไหร่ก็ตอบได้ก็ตอบไปที <c oughs> เขาทําให้แกเราสิบเราตอบแทนเขาอีกพันหนึ่งก็เป็นเป็นไรการตอบแทนไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเราทําได้มีโอกาสความดีไม่มีพอ ไม่ต้องสันเดดในความดีถ้าทำได้ถ้าได้ท า, ามีโอกาสทำไปค่ะขอบคุณค่ะนักทุนนิยมไหมเนี่ยใช้นี่หมดนี่และหมดดอกแล้วจบตัว น, นี้หมดดอกแล้วตัว น, นี้หมดนี่แล้วตัว น, นี้หมดต้นด้วยจบนี่เลิกล้าต่อกันนะใช้นี่หมดแล้วนี่นักทุนนิยมคิด คิดผลได้ผลเสียทําดีไม่มีทนนิยมหรอกทําดีนี่คุณทําไปเธอไม่สนโดนในกุศลถ้ามีโอกาสถ้ามีส่วนที่จะต้องทําอยู่ก็ทําไปควรทําก็ทําำมายิ่งอ่าถ้าอย่างงั้นคุณเองคุณตอบแทนบุญคุณพระพุทธเจ้าเนี่บอกโอ๊ยตอบแทนบุญคุณพระเจ้าพอแล้วมากแล้วพออย่างงั้นเหรอแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณจะต้องตอบแทนเท่าไหร่คุณได้อะไรจากพระเจ้าเท่าไหร่ ได้ไม่เท่าไหร่เลยโอ้ท่านก็ตอบแทนนิดเดียวก็พอใช่ไหมเราได้อะไรจากพู้เจ้าไม่เท่าไหร่เลยจะไม่ตอบแทนอะไรมากมายคิดอย่างนี้ก็เสร็จที <c oughs> ใช่ไหมอ้าวใครอีก เจรอบสองเมืองอุบลเนี่ยเป็นเจอาจินไตคะ่ะพ่อครูเจเลยนะเจอาจินไตคะ่ะเป็นไงเจอาจินไตโอ้เจอาจินไตเนี่ยคือคนมาแย่งกันกินเจนะคะแล้วก็<ฮ>สิ่งสิ่งที่แย่ง ก, ก็วิเคราะห์จากวิเคราะห์จากเจรอบแรกนะค ะ, อะพอเจรอบสองที่จะถึงนี้ก็มีวิเคราะห์ไว้สองมงเหมือนกันค่ะว่า เออก็ไม่แน่นะเพราะว่าเจ ร, รอบสองนี้อาจจะแบบตั้งหม้อไล่เมียงวันรอไม่มีใครมากินก็นได้อะไรประมาณนี้ค่ะ <c oughs> แล้วก็แต่ว่าอีกแง่หนึ่งก็บอกเนี่ยเจข้างนอกเขาแบบสารเจ้าเจน่ะเขาก็ยุบไปหลายเจ้าหน้านี้ค่ะเขาก็จะมาลุมเราอย่างนี้ค่ะก็มองอีกมุมหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าถ้าถ้าคนที่ยังกลัวหรือว่าเหนื่อยล้าอยู่ก็อาจจะคิดอีกแบบหนึง่ง แต่ว่านี่ท่านก็วัดใจตัวเองนะคะว่าเออก็ยังยังสู้นะยังพร้อมนะต่อให้จะไล่เมงวันก็พร้อมเต็มที่เหมือนกันก็เตรียมแต่ว่ามันก็เป็นเพียงการคาดการค่ะแต่ว่าถ้าคนจะหลังไหลลุมล้อมแย่งซุปหน่อไม้กันอีกก็พร้อมอันนี้เมีย น, นี้ค่ะแต่ว่าก็สิ่งที่ผู้ภูมิใจในในความเป็นเจอาจีนใต้อันหนึ่งว่าคนอีสานกินเจนะคะออแต่ว่า ดิฮันก็เคยเล่ากับนักเรียนว่าสิ่งที่ขายของในร้านเนี่ยขายอะไรก็จะข้าวมันไก่จะขนมปังจะก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรก็ตามคนก็จะลุมกันทุกๆร้านเลยคะ่ะแต่ว่ามันก็มีสิ่งภูมิใจลึกๆอันหนึ่งที่มันแปลกคือเราขายซุปเออยางนะเนียนบะเกียร์นะคะ <c oughs> ขายแล้วก็ซุปน้ำไม้นี่แบบ ถ้าถ้ามาตั้งนี่ต้องรีบรัดเลยนะคะเพราะว่าซุปนุ่มไม้มันจะเป็นเส้นนะมันก็เน้นมันก็ตักยากบางทีมันก้อนใหญ่มันก็โอ้ก้อนใหญ่มันก็10บาทยัดเข้าไปในถุงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันมันก็ภูมิใจกับกับอาหารแบบนี้นะคะแต่ว่าแต่ว่าคนอีสานมาเจอเอาซุปนุ่มไม้เป็นเจสมองสินะคะโอ้ตับมะฮุ่งก็เจบ่อ น, นะคะดิฉันก็เลยวิเคราะห์ประมาณว่าเออเจอาจินไตก็แบบนั่นน่าจะแบบนี้นะคะคือเจอาจินไต้คนอีสานมาเจอ เนียมันมเขือมาเจอแจวเจอปนอ้าวเจคือเป็นแจวเ จ, เจคือเป็นปนประมาณนี่นะคะ่ะมันก็มันมันก็เลยประทับใจว่าในในอาจินไตอันนี้ก็มันก็เหมือนเหมือนที่คิดมองเป็นอาจินไตนี้ว่าก็เป็นเมืองพระโพธิสัตว์เมืองพ่อครูเมืองอุบลแล้วก็คนมากินเจมันก็มันก็ไม่ต้องมีคิดหลอกอะไรประมาณนี้ค่ะก็เหมือนพุ่มคำนี่ถูกแล้วค่ะก็อาจินตไตแปว่าจะไปคิด ก็เหมือนทําไมแบบคนมาสมัครวบวบวนบเยอะอย่างเงี้ยค่ะวนบก็ไม่รู้ใครเป็นอาจารย์ไม่รู้สถาบันตั้งที่ไหนแต่ว่าเขมาเรียนอะไรประมาณเนี้ค่ะก็เลยแบบก็ก็ขอถามพ่าครูว่าในในในความไปอาจินไตประมาณคล้ายๆอย่างนี้นะคะว่าเอออย่างในเรียนอีสานเนี่ยน่าจะถามใ้สิ่งที่เป็นอาจินไตอีกแหละ อาจารย์ใจมันบอกว่าอย่าให้คิดก็จะมาถามให้มาอย่าให้คิดและคุณก็บงังคับให้อัตมาคิดแล้วก็เอามาตอบอ่าอาตมาก็จะคิดตอบให้บ้างนะสิ่งเหล่านี้นี่อัตมาว่ามันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่มันลงตัวอ่าที่เคยพูดเคยอธิบายมาหลายทีแล้วสิ่งเหตุปัจจัยที่มันลงตัวแล้วเนี่ยมันคิดไม่ออกหรอว่าทาไมมันเป็นอย่างนั้น คนที่มีบา ร, รมีมาถึงปับ๊บโอ้อันนี้ปั๊บได้เลยมันเหมือนก็นมีเท่านี้มันครบแล้วบริบูรณ์มาติดเครื่องเลยได้เลยคนชอบทันทีเลยคนรับทันทีเลยนะอยาอาตมานี่คนไม่รับทันทีจนป่านนี้อาตมาไม่ได้น้อยใจไม่ได้พราถอยไม่ได้ไเลยเลยรู้ว่านี่คือจุดที่อาตมาต้องภาคเพียนนะนี่คือจุดที่อาตมาต้องภาคเพียนอาตมาจึงมีอมอตโตว่า ทำดียังไม่ได้ดีเพราะเราทําดียังไม่มากพอเพราะยังอัตมาไม่คิดมันยังไม่ได้มันก็เราทํายังไม่พอมันก็ต้องไม่ได้ทําต่อไปถ้าเราแน่ใจว่านี่สิ่งนี้ดีแล้วตรวจสอบอย่างเดียวถูกต้องนะดีแน่นะถูกต้องนะดีแน่นะถูกต้องนะดีแน่นะลุยมันยังไม่ได้นั่นคือดียังไม่พอ ดียังไม่ถึงขีดดียังไม่มากพอจงทําต่อไปเพราะสิ่งใดที่มันมีสนส่วนสมสัดส่วนของมันแล้วมันจะต้องพอหมพอดีนิดเดียวมันก็พอดีแล้วได้แล้วคนมีบารมีที่คุณบอกว่าทําไมมันดูมันลงตัวมันอะไรแต่อะไรถูกที่คุณพูดทั้งนั้นเลยเป็นอจินไตยอย่าคิดเหตุปัจจัยมันลงตัวแล้ะจ้ามันจึงเป็นจึงมีอัตมาตอบ อีกซ้ำให้คุณฟังให้มันสะใจครับอีกเลยว่าอาตมาไปจากอีกสานไปจากบนตั้งแต่อายุ15บจนอายุห้าสบ้าอาตมาค่อยมานี่เหตุปัจจัยมันจะต้องมาแล้วก็ไม่เจตนาอยากจะมาต่เก็ต้องมา แล้วมาก็จะต้องมาเป็นอย่างนี้เป็นไปเป็นไปเป็นไปต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้มาลงตัวผู้ที่มีสิ่งที่มันคิดไม่ออกหรอกมันมีแต่ปางมันมันมีบา ร, รมีของเรามีอะไรของเราหรือเหตุปัจจัยที่เรามีจริงแล้วชาวอโศ์ได้ทําสิ่งเหล่านี้มาแล้วเพราะสมควรและหลายๆอย่างเหตุปัจจัยของคนอื่นคนใดแล้วแต่ที่ลึกซึ่งที่คิดไม่ได้คิดไม่ออกเหมือนกันที่อัตมาก็เคยพูดเคยทักว่า ไอ้เจกับอีสานเนี่ยมันตื่นตัวได้นมันเป็นเรื่องสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วะทําให้อีสานตื่นตัวเรื่องเจได้ขนาดนี่เรื่องมังสวริรัตขนาดนี้ขึ้นแล้วมันทิ้ประแดกมาได้ยังไงอีสานบางคนจะไปสงสัยทําไมว่าโอ้ยซุปน้องหม่มันบวต้อตงใสเนียนบะเขือบวต้องใสประแดกมันก็ไม่เหรอโอโหละเลย มันถึงคราวของมันแล้วถึงข่าวของมันแล้วคนเขาจะเฮโรลโฮเล่มาชอบเขาก็ตอบตัวเองไม่ได้ว่าทําไมเขาจะต้องมาเหเหอก์เขาทําไมเขาจะต้องไปดุมแสบทั้งทั้งที่มันก็เปลี่ยนไปแน่มันไม่เหมือนกันแน่รถรูปรถติ่งเสียงไม่เหมือนกันแน่คุณจะใช้ประแดกถั่วเหลืองยังไงมันก็ไม่เหมือนใช่ไหมแต่มันก็ ดีวะ่ะดีวะ่ะมันเห็นดีไปเลยแต่ก่อนมันไม่เห็นดีแต่นี้มันเห็นดีแล้วเพราะฉะนั้นคําว่าอาจารย์ตายคำว่าอย่าไปคิดเนี่ยอย่าไปคิดเลยเพราะว่าหลายอย่างมันเป็นเนปัจจัยที่จิตของคนเนี่ยมันยึดถือป้าบาบา บ, าบาเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ก็ง่ายก็ได้เปลี่ยนได้ยากก็ได้แต่เปลี่ยนแล้วก็คือเปลี่ยน เพราะฉะนั้นบางคนเห็นได้ว่าเออเราไม่ไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนได้นะหมดมันยากนะเราก็เ อ, อ๊ะทำไมมันเปลี่ยนได้วะเออมันก็มีเพราะสรุปแรกก็คือเหตุปัจจัยมันลงตัวแล้วก็ไม่ต้องไปสงสัยหรอกก็เป็นไปดําเนินต่อไปเถอะมันพอคลายใจไม่นี่ตอบในคําตอบเนี่ยเพราะรู้เรื่องไหมค่ะออ ก, ก็รู้ ว, ว่าเป็นเรื่องของ บารมีที่ลงตัวนเหตุปจัจจัยที่ได้สัสดส่วนที่พอเหมาะทั้งเก่าและใหม่ไอ้เก่าเราไม่รู้อ่ะยิ่งปางบันมีมาแต่ไหนเมื่อไรเราไม่รู้อ่ะนะของอดีตเราไม่รู้แต่ของปัจจุบันนี่มันเป็นได้แล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นหลักเราตรวจสอบแต่ว่ามันดีแน่นะถูกต้องแน่นะถ้าดีแน่นะถูกต้องแน่นะดำเนินไปเลยต่อไป ถูกแน่ลุยค่ะ่ะทุกคนค่ะเอาใครอีกน้อมขอโอกาสค่ะยันปากดีค่ะ <c oughs> อ่าอ่าค่ะ อยากถามพอท่านว่าเอียนนี่เวลาไปเก็บพักนะคะเป็นอย่างคือจังนี้แต่อยากได้ไลายเก็บกี่เล็กก็อยากได้ไล่ไลจังสินะค่ะนันเป็นจิตอีอย่างค่ะแมเนีเป็นล้นไปนะแม่ค่ะก็เป็นธรรมดา มันเห็นว่าโอ้โหมันน่าเก็บน่าเอามาแล้วมาได้มาแล้วมากมาทํ า, าทำประโยชน์มันก็เป็นธรรมดาสามัญไม่ได้คุณไม่ได้ผิดประหลาดอะไรหรอกเป็นธรรมดาของคนว่าเออมันมีมากมานี่เนาะก็น่าจะเก็บมากๆเพราะว่าคนต้องการที่จะกินจะใช้ก็มากมากเอาไปก็ไม่ได้เอาไปทิ้งหรอกมันก็ได้ประโยชน์มากมาก เพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยต่างๆมันบอกมันก็ดีเออมันก็จิตเราก็บอกได้มากๆคุณไม่ได้เป็นคนประหลาดอะไรนี่ถูกต้องแล้วแต่ถ้าเผอว่าโอ้โหมันก็มีมากๆนะคนต้องการก็ว่ามากนะเอาไปแค่นี้ก็พอเอานายคุณประหลาดแล้วขี้เกียจแล้วนะนะไม่อยากทำแล้วเนี่ยเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวแล้วนะนะมันไม่เข้าท่าแล้วเพราะงั้นคุณคิดอย่างนี้เนี่ยไม่ประหลาดเป็นความคิดที่ดีจเจริญอยู่ดําเนินต่อไป <laughs> มันก็คิดให้ได้อย่างที่ว่านี่ยแต่ว่าเอ๊ะสมควรจะเก็บไปมากัหมเก็บไปแล้วนี่คนก็ไม่ไม่มากเอาไปก็เหลือเอาไปก็ทิ้งเสียของเก็บเท่านี้พอเราก็ทำเท่าที่ควรแต่บางคนเก็บไปเถอะเผื่อคนนั้นคนนี้คนนี้เอามาใช้มันก็ไม่พอด้วยซ้าไปเก็บไปเผื่อเผื่อเยอะๆจิตของคุณก็อยากได้มากๆมันก็ไม่เป็นมันก็ไม่ผิดอะไรนี่คุณมีปฏิภาณรู้ว่าโอ้คนเก็บได้มากๆ แต่ถ้าคุณเองบอกว่ามันไม่มีเหตุผลเลยจะจะเก็บไปมากๆไอ้นี่แหละโง่ไม่มีเหตุผลเลยจะต้องเก็บไปมากๆตะกะตะกรามไม่เขาา้าท่าดีไม่ดีก็เอาไปเป็นของตัวเก็บมากๆก็ไปเป็นของตัวอได้เห็นแก่ตัวได้แต่ของตัวตั้งแต่ที่เอาทิ้งให้คนอื่นบ้างเธอเผื่อคนอื่นบ้างเธอคนที่หลังเข้ามาตรงนีง้เขาจะได้นี้มั่งไม่อ่ะ ดีบเก็บใหญ่เลยโอ้ยเดี๋ยวคนอื่นจะมาแย่งเงยโอ้โหเห็นแก่ตัวซ้อนซับซ้อนไปอีกเยอะแยะเลยเห็นมานะก็ต้องรู้เหตุผลตงต่า ง, า ง, างนานาพวกนี้ชัดเจนครับเอาอเไมโครโฟนอย่านึกว่าตัวเองเสียงดีอากาศครับพระท่านคนอื่นก็ไม่ได้ยินเอาเอาเลยได้ไมโครโฟนแล้วเอาก่อนผมขาททาครั บ, รรบเ อ, า, อาวันก่อนที่พระท่านเทศถึงเรื่องความความยินดีนะครับ ความยินดีนี่คือจิตที่เปิดเปิดและพร้อมที่จะทำอะไรก็ได้ทีนี้ถ้าไม่ยินดีในจิตต้านจะเหนื่อยมากมคือจะทำอะไรนี้คือทำงานก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะแต่ถ้าจิตต้านขึ้นมาแล้วเหมือนไม่มีแรงเลยอะ่ะถูกต้องครับทีนี้ก็เลยประมาณว่าอยากให้ท่านย้าย้าเกี่ยวกับเรื่องอความยินดีที่จะร่วมกันปฏิบัติงานหรืออะไรเนี้ยแล้วก็ถามประเด็นอีกหนึ่งว่าความยึดยึดในเรื่องทิฏฐิ ทิเกี่ยวกับเรื่องยึดนี่แหละว่าไม่ไม่ยินดีแล้วจะเหนื่อยกับยึดวัตถุเข้าของอันไหนจะเหนื่อยกว่ากันครับ <S <S อะไรนะอันหลังอะไรยึดเข้าของอะไรยึดยึดวัตถุนะครับอคือยึดวัตถุเ ข, ข้าของยึดโลกาโลกาวิตอะไรเนาะ โ, โอราลิกาตากับยึดความเห็นเนี่ยครับยึดทิฏยึดในโมโนษย <ๆ S 1> ์อ่ะมันก็ของสองอย่างอยู่แล้วตอบอันหลังอันนึงโอ ยึดเข้าของก็ยึดความเห็นมันก็คนละอย่างอยความเห็นมันเป็นนามธรรมเข้าของมันเป็นวัตถุมันก็ยึดต่างกันอยู่แล้วยึดอะไรก็ทางนั้นแหละคนเราไม่ยึดเลยไม่ได้ยึดอย่างพอเหมาะยึดแต่พออาศัยยึดพอเป็นประโยชน์คุณค่าไม่ยึดเลยมันก็คืออะไรก็ไม่แตะไม่ยึดไม่ติดไม่อะไรเลยอะไรก็แตะก็หายไม่ไม่ทําปฏิกิริยาร่วมกันเลย แล้วคุณจะกลายเป็นอะไรอยู่ในชีวิตคุณก็ไม่เอาอะไรสักอย่างไม่ทำอะไรสักอย่างไม่มีความมั่นมันมีความคงไม่มีความแน่นม่มีความทาอะไรได้เลยอ่าได้แต่แตะ แ, แล้วก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีความสัมพันธ์มั่นคงแข็งแรงไม่อะไรเลยแล้วมันจะเป็นอะไรได้นั่นต้องยึด จะบอกว่าไม่ยึดเนี่ยคือคนมันเปกิเลสเนี่ยมันยึดมากนะมันยึดจริงๆเลยยึดความเห็นเท่านั้นก็ยึดจัดนะยึดทิฏฐิยึดความเห็นของกูใครมาเห็นแยง่งเห็นเอาไม่ได้เพราะงั้นแม่คุณจะถูกกัตมาก็เคยพูดไม่รู้กี่ทีแล้วแม่คุณจะถูกแต่เวลาอยู่ในหมูน่นี้หมู่เขาไม่เอาด้วยหมู่ส่วนใหญ่เขาจะเอางี่คุณก็ต้อง วางเอาเอานี้ไปทั้งๆ ท, งที่ไอ้ที่เขาจะเอานะมันไม่ดีเท่าที่เราจะเอานี่หรอกที่เราจะให้ทําอย่างนี้นี่อาตมาเคยยกตัวเองยกตัวเองประกอบอยู่หลายทีความเห็นนั้นนี้อาตมาว่าอันนี้คงอาตมาในดีกว่านะแต่เสนอแล้วหมู่ไม่เอาหมู่เขาจะเอาเท่านี้ก็ต้องยอมให้หมู่เท่านี้เราก็ต้องวางเือเพราะถ้าเผื่อว่าเราดันทุรังจะต้องเอา หนึ่งคนจะเห็นด้วยน้อยคนจะร่วมมือน้อยคนยินดีด้วยน้อยทำยากทำฝืดดีไม่ดีทำไม่ได้แลว้วก็เกิดปฏิกิริยาดีไม่ดีทะเลาะกันด้วยงานก็ไม่เสร็จเสียเวลาเสียของนี่คือการประมาณมัตตัญญุตาที่จะต้องรู้ความพอเหมาะพอดีเพราะทุกอย่างมันไม่มีอะมีเรามีเขามีมีมีไม่ ม, ม, มีมันไม่มีหรอกมันต้องเอาสวสัดส่วนที่พอเหมาะนั่นแหละ เป็นสิ่งที่ควรที่สุดนะต้อเอางั้นเพราะนั้นความดีความชั่วก็คือสัดส่วนที่ต่างคนต่างเห็นเท่านั้นเองเพราะนั้นถ้าใครประมาณได้ดีแล้วว่าเอาองค์ประกอบทุกอย่างมีเห็นมีปัจจัยร่วมกันแล้วอันนี้คะแนนเหนือกว่าเอาตามอันนี้ใครจะเรียกอันนี้ว่าชั่วก็ตามแต่หมู่เขาจะเอาอย่างนี้ก็ต้องเอาอย่างนี้ไม่เอ า, อานี้ก็เกิดเรื่อง โจยการขัดแย้งจนการยิงมันยึดมั่นถือมันในคนนี้มันเหลือคนเดียวนะมันยึดมันก็ไม่ปล่อยมันก็เอาอยู่นั่นแหละแล้วมันก็รวนอยู่นั่นแหละมันก็มันก็ดึงดึงทึงอยู่นั่นแหละนะมันก็ถูกต้านอยู่นั่นแหละมันก็ไม่คล่องตัวมันก็ไปไม่ออกไปแทนที่จะไปก็ถูกดึงถูกทึงอยู่นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะงั้นความพอเหมาะพอดีที่เราเห็นได้แล้วว่าออาคนได้ขนาดนี้จบแล้วก็ไปดำเนินไปซึ่งมันจะมีการตัดสินมันจะมีการประมาณของแต่ละคนเพราะทุกคนที่ ม, มาศึกษาเนี่ยศึกษาการประมาณศึกษาการจัดสัดส่วนเรื่องมามตัญยุตามัตัญยุตตาเนี่ยเป็นตัวกลางเป็นตัวที่สิ่งที่มีต้องจัดสัดส่วนทั้งสิ้น สิ่งที่ไม่มีจบเลยไม่ต้องจัดอะไรสิ่งที่ไม่มีไม่ต้องมาประมาณอะไรก็มันไม่มีแล้วจะเอาอะไรมาประมาณพระนาเริ่มมีเริ่มจั ด, จดสัดส่วนอย่างพอเหมาะนะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีสามนะโอ้โหจัดสัดส่วนยากนะสามนี้มันจะไปข้างนะอา้าวตกลงสามมันจะต้อง หนึ่งมันอีกสหนึ่งมันจัดสองพวกแล้วอันหนึ่งมันต้องสองอีกอันหนึ่งมันต้องหนึ่งถ้าสมเพราะจะทํำยังไงอะเราเห็นนะนี่เราเป็นคนกลางนะไอ้นี่มันมีสมไอ้นี่สองไอ้นี้หนึ่งเราก็ต้องมาช่วยทีหนึ่งถ่วงหนึ่งไว้ถ้าจะให้มันสมดุลแต่ถ้าเห็นว่าเออ้สองนี่มันดีกว่าโถมเลยเข้าไปสู่สองช่วยแล้วให้หนึ่งมันขาดลอยไปเลย แต่ถ้าเห็นว่าเอ้ยมันไม่ได้เราก็ทวงไว้ก่อนเราก็มาช่วยหนึ่งถ้าเห็นว่ามันไม่คล่องมันไม่ดีมันร้อนมันแรงไปทวงไว้นะหรือเห็นว่าสองนะันยิ่งไม่ถูกใหญ่ก็ต้องทวงทั้งนี้แน่นอนมาอยู่กันหนึ่งแน่นอนใช่ไหมแต่ถึงแม้ว่าสองจะถูกนะสองจะถูกบ้างแล้วก็ทวงไว้ก่อนขึ้นแรงเราก็ไม่ได้ทาไม่ได้ แต่คืนแรงไอ้สองมันเหยียบเอาเลยเพราะมันสองอะ่ะมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็ต้องรู้จักทั้งกาละเวลาและองค์ประกอบว่ามันควรจะเป็นยังไงได้ก่อนเพราะในสัพปริสธรรมเจ็ดประการของพระพุทธเจ้านี่จึงสุดยอดเลยสุดยอดเลยต้องจะต้องเข้าใจศึกษา พระอผู้ได้ศึกษารู้จั ก, กการสัดจัดสัดส่ดสวนของสัพปริสัมใจประการได้ผู้นั้นคือศิลปินศิลปินนี่คือผู้จัดคอมโพสิชันขององค์ประกอบที่พระพุทธเจ้าจัดไว้เจอย่างนี่แหละเจดข้อนี่แหละคือองค์ประกอบสิองมนุษย์สังคมมนุษย์ อาตมาหรอือว่าอาตมาทํางานศิลปะอยู่ตลอดเวลาแต่คนเข้าใจศิลปะของอาตมาไม่ได้หรอกเพราะอาตมาจัดสัดส่วนที่เป็นสาระที่ท่วงดุล น, นั้นน่นนั้นนี้แล้วให้มันเกิดการไปอย่างพอดีในหลวงท่านจัดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นภาษาศิลปะคือความพอดีพอเหมาะความเหมาะพอดีสมดุล น, นั่นเองแต่คนเข้าใจไม่ถึงหรอกเข้าใจในหลวงไม่ได้ คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่คือความพอมเหมาะพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปคล่องตัวแต่ในความขยับเขยือนนั้นมันจะต้องมีทศนิยมและทศนิยมเมื่อใดต้องการทศนิยมที่สูงกันเพื่อที่จะทวงให้เร็วเช่นขณะนี้นี่ความชั่วมันแรงแรงเราต้องทวงครนี้ให้มากๆแรงแรง อธรราตย์บอกว่าพราเรืนี้ต้องทําตัวให้เป็นประลอดทวงโฟมโลกเนี่ยมันเป็นโฟมขณะ น, นี้มันมากมันกว้างมันใหญ่มันฟ้ามันไม่ได้เรื่องเลยไม่มีสาระเลยแต่มันเยอะนะมันก็ต้องมีน้ําหนักเราก็จําเป็นจะต้องทวงจะต้องเป็นประหลอดที่จะทวงโฟมให้มั่งทุกวันนี้นะี่ตอบคำถามหรือเปล่าอนะ ไอ้ตอบไปสองข้อตอบหมดหรือยงังครับได้แล้วครับได้แล้วนะครับผมอ่าก็ เ, เก่งเว้ยออตอบไม่ค่อยรู้เรื่องเงี้ยพูรับ ร, รู้รู้เรื่องได้เนี่เก่งจริงๆเลยโพธิรักตัวพูดตอบไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ผู้รับรู้เรื่องได้ได้เรื่องอยากทราบขันอดีตของพ่อท่านเรื่องบุญนิยมยกอดีตตระชาติพ่อท่านสมบูรณ์ลงตัวขนาดไหนครับ ขันอดีตของพ่อท่านเรื่องบุญนิยมยุคอดีตชาติพ่อท่านสมบูรณ์ลงตัวขนาดไหนครับตอบอาตมาเองอาตมาอย่างรู้อดีตไม่ได้มากนะทุกวันนี้เนี่ยอดีตก็ค่อยขึ้นมาแม่พระพุทธเจ้าเหมือนการพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หมายความว่าอดีตจะเข้ามาพลวดเดียวหมดเลยทันทีไม่ทันทยอยเพราะฉะนั้น แม้ท่านตรัสรู้แล้วสิ่งสาคัญมาหมดแล้วแต่สิ่งละเอียดลึกซึ้งทยอยมาทีหลังเพราะงั้นขณะใดที่ท่านเองท่านได้คุยกับเทวดาได้พบสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งเมื่อใดท่านก็เอามาพูดให้ภิกษุถ่ายทอดให้ภิกษุถ่ายทอดภิกษุเพราะฉะนั้นคลาใดครั้งใดที่ท่านตัดว่าเมื่อคืนนี้ในเชตวันวิหารสว่างไปด้วยเทวดามีรัศมีมาก ก็แสดงว่าเนี่ยท่านได้คุยเรื่องอดีต ท, ที่มันขึ้นมาแล้วก็มาได้รับสิ่งนั้นจากอดีตเป็นสิ่งที่สว่างสวยดีก็คือสิ่งที่ดีมากลึกซึ้งลุ่มเรืองอิเศษอะไรเนี่ยแล้วก็ออกมาลึกซึ้งออกมาขยา ย, ยาไ้แกผีสูรเพราะฉะนั้นเมื่อใดได้พูะเจ้าจะบอกว่าโอ้เมื่อคืนนี้เราพบกับเทวดาอันนั้นแหละเป็น ความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นเสมอๆแต่ที่นี้คนไม่เข้าใจก็เป็นรูปเป็นตัวเทวดาก็เป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรอะไรไปไม่ไม่เข้าใจในรูปธรรมนามธรรมหรือสัจจะพวกนี้เพราะยังเป็นตัวตนอยู่ยังเป็นอัตตาบางคนที่ไม่เข้าคนที่ไม่ยึดอัตตาแล้วไม่เป็นอัตตาแล้วเข้าใจนามธรรมเข้าใจรูปธรรมเข้าใจสัจจะทั้งหมดจึงจะรู้ยางอัตมาเนี่ย ก็รู้เทวดาก็ไม่ได้เหมือนก็รู้เทวดาเทวดาก็เป็นตัวเป็นตนเทวดาของอาตมาเป็นสัจจะเป็นปรมาทสัจจะที่อาตมาเขาใช้ได้ประโยชน์คนที่เขาไม่รู้เขาใช้ไม่ได้ประโยชน์ก็ได้ตื่นอยู่อย่างนั้นก็ได้ประโยชน์ตามแบบของเขาเหมืนกัไม่ไม่ลึกซึ้งไม่ไม่ละเอียดไม่ไม่ไม่ไม่ไปไกลก็ได้เท่าที่ได้ การข อ, ขอการพักครัวครับเอา้าปะตาเบยอครข อ, ขอการอัตมาตอบไม่ได้มาก อ, อาดีตมันได้เท่านี้แลต่อัตมาก็ได้เท่าที่ไ ด, กได้ก็ไปเรื่อยเพราะฉจนจะให้ตอบทั้งหมดไม่ได้พอมันไม่ได้มันไม่รู้อ่เอาอะไรมาตอบเหรอกไปนนหน้าหน้อาอัตมามีอดีตมาเล่าเรื่อยๆแหละจะมีอดีตเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆไปเรื่อยๆติดตามอย่ารีบตายไว้ตายทีหลังอัตมา แล่คุณคือจะได้รู้อดีตมากที่สุดเพราะอาตมามีก็ออกมาเปิดเผยตามต่อกราบขออกราบพอ่บพอครูครับมีเรื่องจะเรียนถามพ่อครูนะครับอ้าวว่าไปคือบางทีศักยะของเราบางตัวเนี่ยเราคิดว่าเราเราล้างมันหมดแล้วอะครับ ไวไฟไวไฟโทรศัพท์ของใครไวไฟของใครอะไรหมดไม่และมันมากวนอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อเปิดไม่ได้เลยเหรอตรงนั้นเปิดดังเลยเหรอพัส ทดสอบทดสอบครับตามต่อนะครับคือสัจยะ บ, บางตัวที่เราคิดว่าเราล้างมันหมดแล้วครับพคกูครับเสร็ <c oughs> จแล้วก็แต่ว่ามันเวลาเราไปนอนเนี่ยมันยังฝันฝันเสร็จแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกมีเวทนาเป็นสุขกับมันอยู่อันนี้เราจะเป็นสัญญาหรือว่าเราล้างมันได้ไม่จริงครับพอกูครับล้างถ้าเพราะว่าเราก็ต้องรู้ว่าในขณะที่สัมผัสตาหจูจมูกลิ้นกายข้างนอกอยู่เนี่ยมันก็เกิด รถก็แสดงว่าแม้แต่แค่หยาบนี่เราก็ยังไม่หมดรถแต่ถ้าสะผัดข้างนอกนี่เราไม่ไม่มีรถละแต่เวลาไปฝันเวลาไประลึกเองก็ยังเกิดรถอยู่บ้างข้างในนั่นเรียกว่ารูปเรียกว่ารูปรูปภพอรูปภพข้างในคงอยู่คุณยังเหลืออยู่ก็แสดงว่าคุณผ่านภพกามไปเหลือข้างในเพระนั้าแม่แต่ฝันก็ตามถ้ายังกามอยู่แน่นอนฝันมันก็ต้องมีรถแน่นอน หมดสัมผัสแล้วเวลาฝันมันไม่มีสัมผัสจริงเมื่อมัมีสัมผัสจริงมันก็ยังเป็นรถอยู่ก็แสดงว่านะั่นคือเป็นรูปประรนะเป็นรูปรูปประพบยังเหลืออยู่ถ้ามันหมดรูปประพบแล้วมันมีฝันนั่นอีกมันละลิก ล, ลินนิดๆหน่นนอยๆมันก็ลดไปน้อยๆนยๆนยๆไปเรื่อยๆตามอารูปจนกระทั่งแม่ฝัน จะเป็นฝันเป็นเรื่องบทบาทลีลาท่าทางปฏิกิริยาแบบลกโลกก็ตามสัมผัสเศษสีสัมผัสแต่ต้องถูกดา่าถูกว่าถูกทำร้ายทำเลวอะไรใจมันก็ไม่ในฝันนะมันก็มันมีอารมณ์กลัวอารม ณ, อรมณ์อารมณ์ทุกอารมณ์อย่างนู้นอย่างนี้สุขก็มันมีทุกข์ก็ ม, มีนั่นก็แสดงว่าเราเองแม้ในอรูปก็ไม่มีแล้ว ถ้ายังมีก็คือยังมีเท่านั้นเองขอบพระคุณครับแต่มันเป็นได้เป็นเรื่องราวได้เป็นนิมิตที่ยังไ อ, อยู่ในสัญญาเกิดได้เกิดเรื่องราวที่เหมือนกับเหตุการณ์ที่เราเคยผ่านหรือสร้างขึ้นก็ตามมันมีเหตุการณ์นั้นมีเรื่องราวนั้นกระทบสัมผัสกระแทกกระทุงกัน แต่อ่านซ้อนเหมือนกับเราศึกษาธรรมะนี่เราอ่านอารมณ์ซ้อนจากสัมผัสสัมผัสตายให้รูปหูได้ยินเสียงก็เสียงอย่างเงี้ยเสียงด่าทอเสียงกระแทกกระทันแต่เราก็ไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์โลภไม่มีอารมณ์ผักดูดไม่มีอารมณ์ชอบอารมณ์ชังจะเสียงจะกลิ่นจะรสอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีอะเราก็ต้องอ่านแยกให้ออกว่าไอ้โลกรสเนี่ยมัน มันคืออะไรถ้าเราไม่มีโรกียรตแล้วไอ้เรื่องพวกนี้เป็นสามันก็สักแต่ว่าสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่ากระทบสักแต่ว่าต้องสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เพราะฉะนั้นจึงคนที่มีอินทรีย์พละสูงสัมผัสสัมพันธ์แรงมันก็ไม่เกิดกิเลสเพราะมันดับสนิทดับแน่ดับนิจจังทุ่วังสัสตังมันก็ไม่ขึ้นเลยมันไม่มีเลย กระทบกระแทกกระทุ้งยังไงแรงยังไงมันก็ไม่ไม่กระดิกเพราะยันยิงข้างนอกนี่กระทบกระแทกกระทุ้งเท่าไรมันก็ไม่เกิดข้างในก็มันก็ต้องมีน้ําหนักแข็งแรงเหมือนกันแต่ถ้าเผื่อว่าข้างนอกนี่กระทบกระแทกกระทุ้งแรงข้างในคุณก็ยังพ่อว่าข้างนอกแม้แต่ข้างนอกนี่คุณก็ยังไม่ได้ล้างมันต้องกลับไปกลับมา คุณล้างข้างนอกให้ได้ก่อนแล้วคุณก็ทนได้ต่อข้างนอกทนได้ทนได้ทนได้ทนได้ข้างในคุณก็ล้างข้างในต่อต่อต่อไปพอข้างในหมดเลยทีนี้คุณก็มาอนุโลมทนข้างนอกนได้อีกแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นข้างในมันก็ไม่มีมันต้องกลับไปกลับมาบ้างเพราะงั้นจึงยืดจุนจึงอะนุโลมปะติโลมไงอันนี้ได้เท่า <ๆ S 1> นี้เอาเท่านี้ก่อน เอาได้แรงขึ้นมากขึ้นสัจจานุโลมิขยานได้มากขึ้นมากขึ้นอารมณ์เรกระทบกระแทกกระทุ้งกระเทือนได้อนุโลมได้มากขึ้นเพราะข้างในของเราได้ได้มากขึ้นมากขึ้นเพราะงั้นยิ่งข้างในหมดเกลี้ยงเลยข้างนอกกระทบเท่าไรก็ไม่เป็นไรนะไม่เกิดการกระเทือนเลย แต่ในฝันนี้ก็ยังมีสัญญาที่เป็นเรื่องเป็น ร, ปราวได้เรื่องอรูปร่างนิมิตจําได้อยู่มันมีได้เรื่องราวมีได้แต่อารมณ์ของกิเลสไม่มีแล้วนี่แหละคือประเด็นที่เข้าใจกันยากอาตมาใช้นัจจคีตะวะทิตะใช้ท่าทางเสียงลีลาเมือม่อกดเมือ่อโกรธเมื่อแดงแต่จิตของเราไม่ได้มีเราปรุงมาด้วยอภิสังขาร ปรุงมาตั้งๆที่มันต้องการปรุงให้ได้อย่างเงี้ยแรงอย่างเงี้ยแต่ใจเราไม่ได้มีอารมณ์ชอบอารมณ์ชังอะไรไม่มีโกรธไม่มีรักอะไรไม่ได้ปรุงด้วยอารมณ์ที่มันโกรธมันรักเป็นตัวเหตุปัจจัยเรียกว่าอสังขามันเป็นอสังขาริกังมันไม่ใช่ตัวเข้ามาเป็นเหตุนำจูนาให้มันเป็นแต่ถ้าใครยังมีสสังขาริกังมีเหตุที่เป็นตัวเหตุ ของกิเลสนำอยู่ต้องรู้ตัวนี้ให้ได้ดับมันให้ได้ให้หมดหมดแล้วคุณจะปรุงสังขาริกังโดยอะสังขาริกังเป็นผู้ไม่มีตัวจูงนำให้เกิดกิเลสนั้นก็สักแต่ว่าทมสักแต่ว่าร้องสักแต่ว่ารำสักแต่ว่าทาแรงทําเบาเพราะฉะนั้นคนที่จะทําแรงทําเบานี้ทำตามกัน จะจัดสัดส่วนให้พอมเหมาะกับผู้นี้ผู้นี้ให้ได้ประโยชน์แต่ใจผู้นี้ยังไม่มีอะไรใจผู้นี้ไม่ได้มีจริงเลยมันจึงเป็นศิลปินกก ต, ตุกตาตุกตาทองคือมันโตกว่าตุกตาทองตุกตาทองมันใหญ่ศิลปินตุกตาทองเป็นศิลปินใหญ่ปรุงแต่งโดยที่เรียกว่าตัวเองไม่ได้มีจิต ไม่ได้มีจิตจริงเป็นพอศิลปินที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะต้องบิ i l อารมณ์ให้เป็นอารมณ์จริงมาจากข้างในแล้วมันข้างนอกเลยเพราะเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ทำของเข้าไปเขาก็ยิ่งสร้างอารมณ์ใส่จิตของตัวเองยิ่งต่ำลงไปเรื่อยๆเลยผู้ศิลปินเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เขาสร้างอารมณ์เอาโดยอภิชาด้วยนะให้มันเก่งให้มันจริงคุณก็ทาอารมณ์คุณโกรก็ได้ต่อไปคุณก็ชนานาญเพราะคุณสร้างมันขึ้นมา และคุณก็ชํานาญก็โกรธเร็วรักเร็วอ่อนไหวมากเพราะฉะนั้นศิลปินจึงอารมณ์อ่อนไหวเพราะมันโกรธเร็วรักเร็วเพราะมันสร้างมันหลงไงมันหลงสร้างในตัวเองโดยไม่รู้ตัวว่าคุณสร้างให้มันเป็นน่ยและคุณก็นึกว่าคุณเก่งคุณบิ้วอารมณ์ว่าคุณได้เก่งเสร็จ แ, แล้วคุณก็นึกว่าคุณเก่งคุณก็เป็นศิลปินแท้ๆเป็นสัตว์นรก เห็นไหมมันมันมันไม่เข้าใจง่ายๆเลยไม่เข้าใจง่ายๆพอศิลปินที่มาฟังอาตมาแล้วจะเลือกเป็นศิลปินศิลปินแบบเป็นสร้างอารมณ์จะมาเป็นศิลปินอย่างอาตมามันทําจิตของตนเองให้ไม่แปดไม่เปื้อนจะบิลอารมณ์ออกมาอาตมาบิลได้แค่นี้เหนื่อยนะเหนื่อยนะมันต้องพยายาม พยายามสร้างพยายามปรุงแต่งไงมันก็เลยกลายเป็นยิ่งยอดกว่าศิลปินเพราะจริงจริงไม่เป็นเลยแต่ศิลปินจริงจริงที่มันเล่นน่ยมันต้องต้องสร้างจิตของมันให้เป็นจริงเลยอาตมาเคยรู้ประวัตินายอะไรศิลปินฮ่องกองอะในเลี้ยงอะไรอะไม่ใช่เลี้ยงเช่าเวอยอะไรหนายอะศิลปินฮ่องกองอะ มันบิวอารมณ์จนกระทั่งกลายเป็นจริงจนกระทั่งเดินกลับบ้านไม่ถูกเลยจมอยู่ในอารมณ์นั้นมันก็จนกระทั่งไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครฮะไม่ใช่อะไรเออพวกนี้ไม่ไม่ใช่ออออ ม, ม, ใชมันมีไม่เคยเขาเขยบวาบาิมาบอกว่ามันเป็นศิลปินจนกระทั่งมันมันเดินกลับบ้านไม่ถูกเลยมันไปจมอยู่ในอารมณ์ที่มันคลายไม่ออกเลย เอาเป็นจริงๆริงศิลปินฮ่องกงอาตมาเคยอ่านเรื่องของเขามีเขาเล่ามาเขาจะสร้างภาพในคนนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แหละจะเว่อไปหรือเปล่าแต่เขาว่างงันจริงจริงอาตมาเข้าใจมันเป็นได้ถ้าเป็นจริงก็เป็นจริงได้เพราะมันมันจนกระทั่งมันเมาเลยมันไม่มันแทนที่มันจะอยู่กับสภาพความเป็นจริงเหมือนคนบ้าข้างนอกมันไม่เอาด้วยไงมันมันอยู่ในภพของมัน มันยึดติดของมันอยู่ในพบของมันคนอื่นยังไงมันไม่เอาด้วยกูก็ไปของกูอะไปคนอื่นพูดไงกูก็ไม่รู้ด้วยกูไม่ร่วมร่วมปรุงร่วมคิดร่วมรู้ร่วมอะไรด้วยกูก็อยู่ในพบของกูไปน่ยคนคนบาไม่เอาร่วมของคนอื่นเขานั่นคือคนยึดซึ่งยึดแต่คนยึดนี่แหละเป็นสิ่งที่ แย่นัดไม่รู้ตัวอย่างที่อาตมาอธิบายคนยึดไปยึดชีวิตไม่ยอมทิ้งชีวิตกินรีจนไม่ยอมพลากตายแล้วพลังงานวิญญาณมันจบไปแล้วพลังงานจิตจบไปแล้วคนเลิกได้แล้วคุณก็ยังกลายไปเป็นพืชพลังงานอันนั้นคุณก็ยังเกาะยังดูดอยู่ก็ยังใช้พลังงานนั้นอยู่พลังงานนั้นก็เลยยังเลี้ยงขันอยู่ผิวหนังก็ยังไม่เน่า เล็บก็ยังงอกผมก็ยังยาวอยู่อะไรๆแล้วก็ไปเคารพนักยึดกันเนี่ยศาสนาพุทธเป็นศาสนาปล่อยความยึดไอ้นี่ไปยึดมันคนละคนละความเคารพโดยคนละความนับถือคุณก็ไปบูชาความยึดคนยึดโดยเขไม่เข้าใจสิ่งจิตวิสัสจนาจริงมันทําได้ยากมันไม่ทําได้ง่ายอะ พลังงานที่มันยึดโดยที่เขาไม่ได้ปล่อยคลายมันก็จะเป็นถ้าปล่อยคลายแล้วมันก็จะลดลงแต่พลังงานของพืชที่มันตัดขาดเลยมันแห้งเลยมันก็ขาดมันก็ไม่รับทํางานร่วมกันไม่สังเคราะห์รวมกันเพราะฉะนั้นในพลังงานของดินน้ำไฟลมพลังงานอุณหทาศพลังงานของความปรุงแต่งเงินๆที่จะทําให้เกิดชีวะมันจบมันไม่มีชีวะต่อมันมีบ้างนิดหน่อย แั่มันก็ไม่มากถ้าคนนั้นยิ่งรีบตัดตัดเกง่งเป็นมุทุภูท ธ, ธธาตุไงตัดเร็วยึดเร็ว เ, เกิดเร็วตายเร็วปุ๊บๆๆๆคนนั้นก็ได้แต่คนนั้นยังมีโมเมนตัมยังมีเฉยมันก็มีอย่างที่คุณว่าอา้ายาวแล้วตอบยาวแล้ว หมดแล้วครับพ่อครูอ้าวหมดแล้วเอาใครอีกเอาเลยเอาเอาพ่อท่านค่ะมรรคานณศิกามาตค่ะดิฉันก็อยู่ที่อุทยานค่ะแล้วดิฉันน่าไปรู้จะยึดคะเพราะว่าดิฉันน่าเมื่อก่อนอยู่โซดิฉันก็อยู่ที่เชวมาลอแต่ดิฉันก็อยากจะมาทําต่ขยะอะไรอะไรอย่างี้อยากทำอยู่ที่เนี่ยแต่เขาก็บอกว่าอยู่ตรงนั้นก่อนอยู่ตรงนั้นก่อน นี่มันก็เหนื่อยเหนื่อยแต่ดิฉันก็ไม่ท้อค่ะแล้วดิฉันก็ได้ยินพ่อพ่อบอกว่าคนมันมีทรัพย์เยอะจ่ายออกไปจ่ายออกไปเนี่ยมันก็ได้กลับมาดิฉันก็เข้าใจตัวนี้ว่าอ๋อเราไม่เคยเหนื่อยเพราะว่าเรามีทรัพย์เยอะเพราะว่าอุทยา น, นี่มันจะอยู่หน้าร้านอยู่กลางร้านอยู่ทำ ง, งานหลังร้านอือทำงานทำได้ค่ะว่าทรัพย์เยอะ แลแ้วตอนนี้มีทหารหารเขาก็มากิ น, ากนทานข้าวที่นี่เยอะนี่ทหารคนนี้เขามาใหม่ได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็เขาบอกป้าป้าทําอะไรถูร้านอะไ ร, ะไรป้าไม่เหนื่อยเหรอป้าไม่กลับบ้านมั้งเหรอ <c oughs> เขาก็ถามอะไรเขาเหมือนกับลูกเรามาถามเลยลก็บอกว่าป้าเหนื่อยมาเยอะแล้วอยู่ที่นี่ป้าไม่เค ย, เ, คยเหนื่อยหรอกเพราะว่าป้าไม่หาเงินเพราะว่าป้ามีทรัพย์แล้วพ่อท่านเทศว่า ซับเรามีเยอะไม่เหนื่อยหรอกแล้วเขาก็บอกว่าแ ล, วแล้วพูดกับใครรู้บ้างาเขาจะรู้เรื่องไหมนะก็ก็ก็พูดไปอ่ะ <im itation> ม <uish> ันเป็นเสร็จแล้วบอกว่าอ้าวป้าแล้วแล้วที่นี่เขายังไงอ่ะบอกก็เขาก็อยู่กันอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณเห็นไหมว่าเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็ทํางานกันประางานเจคุณมาหรือเปล่าแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็มามาทุกวันเลยนี้ พอมาตอนเช้าดิฉัก็บอกว่าอ้าวคุณคุณเข้าเข้างานหรือหรือออกงานตอนนี้เขาบอกผมออกเวรบอกโอ้คุณทําไมมีเวรเยอะจังแล้วก็บอกว่าอ้าวเวรมามามาถึงที่ใดก็มาเช้ามืดก่อนที่ห้ากับข้าวก็ยังไม่เสร็จยังคอยกินอยู่แล้วบอกว่าม า, ม า, มานี่ก่อนมาหายายก่อนดอิ้แล้วเขาก็ไปทําอะไรปะมาๆม า, มา ก็มาลากของลงไปจากร้านเพราะว่ามันต้องขายตรงนู้นน่ะที่เอาะเพาะดิฉันเขาก็ต้องลากลากไอ้นี่ลากอะไรไปจัดร้านอะไรเงี่ยว่าอุ่นดินเขาก็ป่วยป่วยไปยังไม่หายเลยก็ทําไปหล า, หลายอย่างไปเรื่อยนี้เขาก็มาช่วยผมก็มาช่วยเขาก็บอกว่าโอ้ผมเห็นป้าทำแลนะ้วเนาะทําได้ไงแล้วดิฉันเขาก็คิดว่าเออดิฉันตอนที่งานเจครั้งที่แล้วอ่ะดิฉันก็เขาบอกว่ายาย ยายงานหนักแน่เลยเพราะว่ายายต้องไปขนของฟังอั น, นุู้นนะยายเป็นแปลรูปอะไรไม่รู้นึกว่าก็บอกว่าก็เฉยเฉยดิฉันก็เห็นเห็นเพื่อนบอกว่าอย่างนี้ฉันไม่เคยทําอะไรไปขนของอย่างเงี้ยฉันก็บอกว่าฉันก็เขียนเขียนว่าวันนี้เอาอะไรมั่งเอาอะไรมั่งก็เขียนไปเขียนไปเสร็จแล้วก็เรียกอาชีวะว่าอาชีวะไปเอาของให้ยายหน่อยนี่ส่งของด้วยนะเด็กก็บอกงนี้ยังก็คอย เขาก็เข็นมาให้เออชันก็ไม่เห็นเหนื่อยนะเพราะว่าเสร็จแล้วที <c> ่ <oughs> ฉันก็บอกว่าอ้าวทาไมทําไมต้องต้องต้องไปยกของหนักๆทําไมอ่ะคุณน่ะกาหลงอย่างเงี้ยยกของหนักมากเลยเขาก็ป่วยแขนสองแขนก็ต้องยกหนักคุณน่ะไม่ไม่ใช้รถเข็นล่ะอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เมื่อยสิเขาบอกงี้แล้วอาสาควางก็บอกก็ป้ามีปัญญาป้าก็ใช้ได้สิเขาก็ยกอย่างนี้ยเนะี่ย แล้วดิฉันก็คิดว่าดิฉันจะยึดหรือเปล่าดิฉันก็ไม่ไม่ยึดนะว่าอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ว่าก็ก็ถามพ่อท่านแค่นี้เนี่ยขอป๊าถามอะไร อ, ะอ่ะใครรู้จักคำถามมึง <c oughs> เล่าเรื่องไม่ได้ถามเลยพรณาโวหาร <c oughs> อ้า่ตอบให้แม้ไม่มีคําถามอาตมาก็จะหาคาตอบให้ าการที่เล่าของคุณนะ่ะยิ่งเห็นชัดเจนว่าคนคนสองโลกมันมีโลกโลกีโลกโลกุตระคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วคุณก็บอกความจริงคนที่อื่นเขาก็ไม่รู้เรื่องก็บอกโอ้เขาก็เอาความรู้สึกของเขามามาแยงมาถามมาสงสัยเป็นได้ยังไงทำไมจะเป็นอย่างนี้อ่า เขาไม่บอกว่าบ้าก็เปล่าก็ดีแล้วมันอย่งงางนั้นจริงๆริงเพราะงั้นไอ้ที่พวกเราเป็นเป็นอยู่ที่เป็นเนี่ยคนข้างนอกเขาถึงมองไปเขาไม่ว่าคุณบ้าครับมันก็ดีแล้วละ่ะที่จริงเขาก็ว่าในใจงเขาว่าไอ้พวกนี้มันพวกบ้ามันไม่เหมือนโลกที่เขานิยมกันแบบโลกีโลกีมันคนละโลกโลกุตระกัโลกีมันเป็นอย่งงงางนั้นจริงๆ มันจึงเป็นสิ่งจริงที่อาตมามั่นใจว่าพวกเราเนี่ยมันไม่ได้แกล้งมันจริงใจมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆมันมีการตรวจสอบได้อยู่อย่างหนึ่งคือคนบ้ากับคนหลุดพ้นเนี่มันเหมือนกันมันเหมือนกันตรงที่ว่าบ้าจริงๆนี่นะมันอยู่ในโลกของเขาเองเลยเขาก็มองเขาอยู่เขาจริงเขานั่นอันอื่นมาให้เนี่ยเขาไม่เอานอกจากไม่เอาแล้วเขาไม่โกรธด้วยนี่บ้าจริง แต่ถ้าคน <ไป S 1> ที่เอาอันนี้<ม>ใครมากวเา น, นเขาเนี่ยเขาโกรธอันนี้บา้ายังไม่สนิทบา้ายังไม่สนิทมันยังมีตัวตนไม่แต่ถือเขาถือเราชั้นเดียวกันกับพวกโลกุตระถ้าคุณยังจะใครมาว่าคุณยังมีอาการนิดๆหน่อยๆคุณยังไม่โลกุตระจริงถ้าคุณรู้ว่าเออเขาเข า, เ ข, าเข้าใจอย่างของเขาเราก็เข้าใจของเราแล้วมันตัดขาด มันก็ไม่ถือสาเขาเขาจะว่าไปก็เออเขาไม่รู้จริงๆนะน่าสงสารด้วยซ้ําไปอย่างพวกเราบอกมาจนเอ้าเขาจนได้เราหนึ่งจนไม่ลงแล้ยยังกระมิกระเมียนอยู่เลยเอ้าเราก็ยังนิ่มเหนียมของเราอยู่เลยโอ้โหเราจนยังไม่ลงคนที่เขาจนได้กับเราก็ทําได้เออเราก็อยากจะจนแต่พวกนั้นบอกว่ามันจะบ้าเริ่มมาจนน่ะมันคนละโลกกันนั่นรู้สึกกับคนละรู้สึก เห็นดีก็เ้วเห็นดีเราเห็นดีอย่างงี้เขาเอ้ยดียังไงวะมาจนอะไรองี้มันมันมันมันความเข้าใจแพระความเข้าใจที่มันไม่เป็นพิษเป็นภัยที่เรามาถือสิ่งที่เป็นเนี่ยมันไม่เป็นพิษเป็นภัยเรามามักน้อยส้นโดเรามามอสแต่เราไม่ได้สกปรกเราไม่ได้ไปทำให้มันเกิดเชื้อโรคมันจะไม่เสียอะไรเสื้อผ้าเราสะอาดสะอ้านแม้จะเก่าจะดู ขัดขา ด, ขด ว, วินวินมอมมอมองมงองอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ไปพิษเป็นภัยไม่ได้มีเชือ้อโรคไม่ได้มีกลิ่นเหม็นไม่ได้มีอะไรสะอาดดีเป็นแต่เพียงว่ามันไม่รู้ราฟฟูฟ้าสดสวยเมื่ออย่างคุณดิมิเดียนคุณเหม็นเลยนะแต่เอาน้ําหอมมากลบเอาไว้จริงพวกนี้ เ, าเอาน้ําหอมกลบไว้เยอะเขาไม่ค่อยซักล้างอะไรน้อยแต่เอาพวกอันนี้มากลบกลิ่นอีกมีเยอะแยะไปนะไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไร แต่พวกเราไม่ต hmm. oh, oh, oh, oh, ้องใช้พวกนี้กรบเราสาดของเราจะสมะสมควรก็เหนือกว่าเนือชั้นกว่าเอาเมื่อกี้นี่ใครยกมือทานนี้เอเาเอตรงนี้เาวางมือแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยสองทุ่มหนึ่งนาทีแล้วอ่าพอกาสค่ะพอน้ำน้ำการพ่อครู ท่ามณะเลสิวาจะเรินทำค่ะพวกเราทุกท่านค่ะฟังคุณแม่แจ้วเล่าบรรยากาศอุทยานแล้วที่ท่านมีเหตุปัจจัยที่อยากจะเล่าให้ให้ฟังหน่อยค่ะทางสวนค่ะเมื่อเห็นเมื่อประมาณสักสามวันที่แล้วค่ะคือหลังงานนี่คุณแม่เขียวกับคุณพ่อไม่ผลไปที่สุพรรณนะคะก็เลย ท, ทิ้งช่วงทิ้งสวนดูแลไว้ให้พวกเราค่อยดูแลช่วยก็มีปกติพวกเราเข้าไปที่สวนนี่จะ จะไปด้วยเหตุมีของใหม่ๆด้วยส่วนหนึ่งนะคะอย่างอย่างมีเหตุนี่ก็จะไปเยี่ยมกันบ่อยน ะ, ะ, ะมีเหตุเฟื่องออกนี่ก็ใส่พยายามกันเนาะพวกนั้นก็พอเดอออนตอลแอนแตนมะมกมาไอออสจักหน่อยน ะ, ะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเป็นความน่าอินดูของพวกเราค่ะแล้วก็บรรยากาศที่พวกเราเข้าไปในสวนนี่จะมีการเสียงดังโบกวีกโวยวายเพื่อเป็นการให้เสียงกันค ะ, ะให้เสียงเป็นการเรียกหาะฮะดาเย็นอยู่ไหนคนนู้นคนนี้อยู่ไหนเขาจะมีการท่ากันลักษณะนี้นะ ต้องห้องหาฟูดูแลส่สวนก่อนน่ะที่ทานจะเห็นพวกเราเป็นอาการอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นคนแปลกหน้าวันนั้นลุงหินพันธุ์ก็ไม่อยู่ลุงทงไทยก็ไม่อยู่คุณสมัยหนึ่งก็ไม่อยู่มีนิท่านอยู่คนเดียวน ะ, ะก็มีคุณสมัยหนึ่งอยู่คนละมุมน ะ, ะอยู่อยู่ก็มีคนแปลกหน้าคือเขา ก, ก็ดูที่ท่านก็ซอมนะฮะสอมดูเพราะนถอนญาอยู่กุฏห้างลุงนะแอบดูว่าจะอาการอย่างนี้ไม่ไม่ใช่อาการรถพวกเรานะ เขาเข้าไปในซุ้มของยะเขียวก็อยู่พักหนึ่งเทียนก็ไม่อยากจะเคอกเวียกเท่าไหร่ไม่ไม่อยากจะปล่อยงานะก็เลยซ้อม أ, ก็เลยแอบดูว่าเขาเขาจะไปไหนต่อสักพักหนึ่งเขาก็ออกมาแล้วก็วนออกมามันนานไปทีเาเลยวนเข้าไปในสวนนี่ก็เลยตามไปดูนะตามไปดูเทียนก็ก็ไปเห็นนะผู้ชายเข้ามาดม้อๆ ม, ม, มองๆดูดูฟักข้าวนะคะ ดูฟักข้าวอย่างได้ฟักข้าวที่ฉันก็ไปทันก็น่าตึงๆมันกันนะเสียอารมณ์ว่ามาเหตุให้เข้าเคืองเบียดนะฮะก็เจราจาไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่หรอกก็ ก, ก็ก็ระวังอยู่ฮ ะ, ะแต่ว่ารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้คุยแบบมีอารมณ์แบบเหมือนตอนรับแขกสมัยก่อนเท่าไหร่นะทุกวันนี้ฉัรู้สึกว่าคนคนมาหานี่รู้สึกว่าเป็นการรบกวนแล้วนะคะคือมาเยอะเกินนะคะมันไม่เหมือนสมัยก่อนฝรั่งมาคนเดียวตอนรับแปดคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขามาเบืองเบียด ทุกวันี้คนแปลกหน้ามานี้มากวนจะรู้สึกว่าเขามากวนในการที่ว่าเหตุแห้วเคืองเวียกนะฮะเบียกกัเวลากับเฮงเต้นหน่อยเจ้ามูเลี้งก็สีมาฟังทำเนี่ยเลิเคอลิเคอแล้วเลิก็จะเป็นอาการอย่างนี้ก็เลยคือคือพวกเราอาจจะมีการเคยขายของให้เขานะฮะที่สวนนะฮะก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเขาเคยซื้ออย่างงุ้นอย่างงี้ฮะยิ่งก็บอกว่าถ้าเป็นยิ่งนี้ยิ่ไม่ไม่จบไม่ไม่ให้อ่ะไม่ ไม่ขายให้แต่ให้ซื้อๆนี่ให้อยู่ให้จัก3ามซีนวยอะนะซีเอาไปหยังอะถามเขาบอกว่าเขาจะเอาไปเป็นตัวอย่างเพราะเขาเป็นครูแล้วเขาก็มีงานจัดประกวดประกวดน้ำนํำนูนน้านี้นะที่โรงเรียนฮะเขามีที่ที่ทบุญทฤตมาดิฉันก็เลยมีความสะท้อนใจว่าทุกวันนี้โรงเรียนทั้งโลกเขาเป็นอย่างเงี้ยเขาทำไม่ทันหรอกแต่เขาก็ค้นคว้าหาวัตถุดิบ ท, ท, ท, ท, ท, ที่จะพอไปออกงานโชว์ได้ แม่เขียวก็ไม่อยู่ทีท่านก็แค่ว่าตัดสินใจให้สามสี่ลูกพอได้เห็นเป็นตัวอย่างหน่อยเนะาะแต่ว่าไม่ให้เลยทีเดียวก็ตัดรอนไปนี่ท่านก็ก็ค่อนข้างจะขี้เกียจอยู่ขี้เกียจเฝ้าไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจเฝ้าว่าดูเขาจะเอาอะไรยังไงเขาว่าสำรวจทุกต้นแล้วนะในสวนนั้นที่ท่านรู้สึกว่าเขารู้มากกว่าพวกเรารู้อีก <S <S พวกเราน่าจะปลูกทิ้งเนีเนีน่ยเเขียดยาเขียวที่ท่นก็ไม่ไม่ค่อยได้เดนเดินตรวจว่ามันต้นไหนเป็นต้นไหนนะ แต่ท่นรู้สึกว่าพอเราเดินดูนี่มันมีต้นนั้น่ะเ <c oughs> ยอะกว่าเพื่อนเยอะกว่าเพื่อนแล้วก็ก็จอบอยู่นะดิ่ท่นก็ทําเป็นแซวว่อาอ้าวถ้าเกิดทีด่ท่นไม่มานี่จะกล้าเอาหรือเปล่าบ่แล้วกั บ, บกว่ากล้าเอาแล้วทํำนองนี่แกก็พูดไปฮะ <c oughs> แต่ดิ่ท่นก็ไม่มั่นใจเลย ว, ว่าเขาจะกล้าอยากล้าเอาหรือเปล่าแล้วก็อาการของเขานี่ไม่ทักไม่ทายไม่ทักไม่ทายคนให้รู้เรื่องเลยว่าจะมีคนอีกฝั่งนึงอยู่อีกมุมหนึ่งไหมทํานองนี้ฮะที่ท่นก็เห็นผาว่าที่ว่าคนมาใหม่เนี่ยที่ท่านบอกว่าเอาไปเป็นตัวอย่าง เขาก็ดูนู่นดูนี่มิแต่งามกำงามนั้นน้อยนี่กัสีเอาน้วยนั่งกัสีเอ้าเขาก็ทําไม้จะสวยยันก็เลยไปช่วยไปหาเคียวให้เขาหน่อยก็หามากว่าจะหามาได้ยันก็แอบดูชํารือดูในรถเขามันมีอะไรบ้างเขาก็ใส่ไปแล้วข้างในอ่ะสีห้าลูกสวยๆ ต, วๆตัวๆข้างนั้นนะฮะข้างแคปฮะยังขึ้นอีกนะให้ผู้ชายตัวที่ติดมันด้วยขึ้นข้างบนอีกสรุปแล้วสรุปแล้วเขาก็เอาไปประมาณสิบกว่าลูกเอาความหมดเลยค่ะ เรียกว่าถ้าจะเขียวมาแกจะทักหรือเปล่าว่าฝ้าข้าแกหายไปต้นนั้นเพราะมันมีทั้งลูกกาลังเหิ่อมลูกหำหามลูกสีเหลืองลูกสีแสดแล้วก็ลูกสีแดงเขาเป็นชั้นๆนะเขาจะเป็นครูเ<ะ>ขาจะไปเป็ น, ปน ต, ตัวอย่าง<ะ>สอนก็เลยลักษณะนั้นแค่นี่ก็ขี้เหนียวดิฉันก็เลยรู้สึกว่าอคือคือเราก็รู้สึกว่าเราก็ขี้เหนียวนะเห็นเห็นในชัดว่าเราเรานี่ขี้เหนียวของขี้เหนียวอัตราตัวขี้เหนียวที่ชัดคือว่ามึงบ่บอกกูก่อนนะนะตัวนี้ชัดเลยนะอัตรา เดี่ยคือมาบอกให้กรอ น, นี่นี่อาการอย่างนี้ท่านถือสาวมากแล้นะ<อ>มีอาการที่ว่าถ้า<อ>ถ้าละาลาบโลล้วงก่อนนี่ห่วงถ้าขอกรอนนี่มีเท่าดก็ะหานะลักษณะนี้เป็นอาการอย่างนี้คะและก็ส่วนหนึ่งคือคือเราก็ไม่อยากจะให้มันผิดหลักการโดวยทว่าสวนเราไม่ขายของนะสวนเราไม่ขายของเราก็เลยใ ห, ให้ให้พอเราให้บอกว่าให้3ามสี่ลูกพอเห็นเอาไปเป็นสิบลูกห่วย <laughs> เดี่สอนเด็หน่อยสอนคณิตศาสตร์ยังไรเนี่ยนับหนึ่งไว้ถึงสิบนะเนี่ย นับแค่ซีบเจ้าไปนับเกินซีอย่างเงี้ยเราก็มีตัวแต่ว่าเนี่ว่าเขานะฮะที่นต่อว่าในใจนะฮะพูดในใจโอ้พอใหญ่นี่นะจี้สังขารมันเกิดแล้วคนโลกเขาก็ต้องอย่างนั้นนะเราก็เข้าใจเขาแต่พอมาคุยกับคุณสมัยหนึ่งเขาก็เขาก็บอกดีว่าโอ้ยถ้าเป็นถ้าเป็นเขาก็ก็จะเป็นอาการอย่างนั้นเราไปให้เขาอย่างนั้นนะเขาก็คงจะมีลักษณะทํายังไงอย่าไปแต่งแล้วมันเป็นสวยที่สุดเขาก็คิดอย่างนั้นนะตอนนี้ก็รายงานรายงานสู่ฟังว่า ถ้าเข้าไปในสวนก็คือถ้าเป็นพวกเราก็ให้เสียงหน่อยเป็นสัญญาณเ่าโอป้าอ้อยมาแล้วลคนนูนคนี้มาก็ทักทายกันคะถ้าเป็นแขกนี่เราถึงจะรู้ว่าเขาไม่ไม่ยาม า, าการแว่เราหรอกเราจะได้จะได้ตามไปดูหน่อยเพราะว่ามันก็ไม่อยากจะผือให้ค น, นข้างนอกเข้ามาล่าลับละลวง อ, <ละ S 1> อ้าวเพราะว่าคุณอาวล ะ, ะเป็นการศึกษาเนี่ได้ตรวจอัตราอย่างดาวเย็นพูดเนี่ยเป็นการตรวจอัตราของตัวเองนั่นแหละเป็นการศึกษาปฏิบัติธรรม แล้วเราก็ได้อ๋ออย่างนี้เรามากไปอย่างนี้เราน้อยไปก็ปรับไปนี่คือการปฏิบัติธรรมแบบพระพุทธเจ้าที่มีภัสะเป็นปัจจัยมีเรื่องจริงของจริงแล้วอ่านจิตเป็นมีวิตกวิจารณ์มีวิจัยมีวิตกวิจัยวิจารณ์มีธรรมวิจัยสำโพธชงอ่านวิเคราะห์วิจัยความเป็นจริงมันเกิดอะไรกิเลส ต, ตัวไหนอะไรยังไงมันเข้าใจอัตมาก็ ภูมิใจที่ว่าเออธรรมะพระเจ้าพวกเราเนี่ยยังสามารถเข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติเพื่อประพฤติจริงได้ก็มีหวังนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกพวกคุณเป็นอรหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องรู้ตัวเป็นอรหันต์แล้วก็ช่างมันเถอะนั่นเป็นอรหันต์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นอรหรันต์ก็ปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆมันดีขึ้นดีขึ้นไปอ่ามันก็เป็นโพ ธ, ธิสัตว์เพิ่มเติมขึ้นไปเองนะความที่มันไปเรื่อยๆ เพราะความปล่อยวางความที่เข้าใจการปฏิสังขาเออปฏิสันฐานการต้อนรับแขกอย่างที่พูดเมื่อกี้นี่มันบางทีเราไอ้นี่เอตะกอนเหอก็ไว้ต้อนรับกันฝรั่งมาคนหนึ่งต้อนรับ8ดคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็อย่างงั้นนไม่ค่อยเท่าไหร่มันก็จะค่อยๆรู้ไงว่าเรามันมากไปไม่น้อยไปไม่ขี้เหอมากไปม่ไมไ ม, มันก็จะเข้าใจ แต่เราก็ควรจะต้องรู้จักปฏิสันถานแค่เกลือมาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะแต่ก่อนนี้นะพวกเรานี่แย่ yeah, จริงๆนะชาวโซนใครไปใครมาเฉยใจเป็นยังไงไม่เอาฐานเลยไม่มีปฏิสันถานเลยโอ้จนเขาว่าพวกเราเนี่ยอะไรว่ามันไม่ทักไม่ทายมันไม่ไถ่ไม่ถามไม่อะไรเลยมันเหมือนกับโดนเขาว่าซึ่งคนเขาก็ไอติคนที่เขา อยากจะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์มันก็อะไรว่าคนพวกนี้เนี่ยมันเห็นเราเป็นตุดหัวต่อยัไงเกินไปไม่ทักไม่ทายไม่รู้ไม่รู้ไม่จี้มือนก็ไม่มีใครผ่านไปเลยเฉ mm hmm. ยเมยงั้นนะมันไม่ดีพระพุทธเจ้าธรรมว่าท่านนี่เป็นผู้ที่มีปฏิสันทานก่อนเป็นผู้ที่มีปฏิสันทานก่อนนะอันนี้นี่อาตมาขอบอกอันนึงในะสารภาพเราอาตมานี่เป็นคนบกพร่องเรื่องปฏิสันทาน เป็นคนบอกพร่องมากเลยเรื่องปฏิสันทานเนี่ยอาตมาเปรียบกับท่านเพาะพุธไม่ได้เลยปฏิสันทานอาตมาท่านเพาะพุธนี่โคตะขั้วเลยถ้าตมาปฏิสันทานเป็นอย่างท่านเพาะพุธนะอาตมาจะมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายเหนือชั้นกับท่านเพาะพุธเยอะเลยเอาจริงแต่ตมาไม่ไม่เป็นปฏิสันทาน เพราะเหตุส่วนตัวอย่างหนึ่งว่าถ้าอาตมาปฏิสันทารมากอาตมาไม่มีเวลาไม่มีเวลาหรอกที่จะต้องทํางานอื่นได้ส่วนตัวมันก็ไม่เก่งอยู่แล้วด้วยอาตมาทํางานไม่เร็วยิ่งมีเวรเสวเวลาอันอื่นอาตมาตายแน่เลยเพราะฉะนั้นอาตมา ก, ก็เลยตัดาตมาอาตมาจึงเปคนปฏิสันถารจนติดเป็นนิสัยปฏิสันทาร น, น้อยไม่ต่อคุยก็ไม่ค่อยต่อ พูดก็คุยอะไรไม่ค่อยต่ออานจะมาคุยได้จะคุยเท่าไหร่ก็คุยได้อย่างที่คุยๆยอยู่เนี่ยยาวเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าไม่ไม่ค่อยต่อเพตัดเพราะว่ามันจะต้องเก็บเวลามาทำงานหนึ่งงานก็มากสองก็ไม่เก่งทำก็ช้าทุกวันนี้นไม่บ่นอะไรเลยบ่นแต่ว่าโอ้โหทำไมมันไวจังเวลาหมดละหมดละเดี๋ยว ห, หมดละเวลาเผอไม่ได้อย่างเดียวเลยทุกวันนี้มดแกล้งนะแต่ม จากนันจริงๆรู้สึกจริงๆว่าเรานี่ทําอะไรก็ไม่ทันเรามันไอ้นี่ก็อยากทําให้นี่กอยากทำเยอะหนะ้าแต่มาอยากทําเยอะอยากจะขยายความอยากจะเขียนขยายการโนนเยอะเลยเพื่อที่จะเอาทิ้งไว้ให้เข้าใจกันเพราะรู้ว่าไม่ง่ายมันละเอียดมันลึกซึ้งแต่ทําแล้วก็เมื่อยว่าโอ้โหยังไงว่าจะไหวเนี่ยเออเลยก็ค่อยเก็บก็ค่อยละเอียดไปก็ค่อยเก็บไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปไทําไปทําไปนะได้ตัวไหนก็ทำนั้น แต่มันก็ยังไม่ทันเพราะมันไม่เก่งอ่ะนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะไม่ใช่พูดถ่มตัวอะไรมันไม่เก่งมันได้เท่านี้อ่อมันควรจะเก่งกว่านี้ควรจะเร็วกว่านี้แต่มันได้เท่านี้ก็ไม่รู้ทําไงก็ว่าไปนะก็ผากเพียนไปอุตสาหะไปนะอ้าเอาละสาหรับวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาทุ่มสองทุ่มสิบานาทีนะอุตสาหเลี่ยงคำว่ามันจะเลี่ยนคําว่าเออไออุ่นนึกไงกัไม่รู้ ก็เลยไม่ใช้คำว่าเออ้ออุน่นแล้วใช้อะไรเขาใช้อะไรนะ<า> ม, ม<า>ะตามประษ า, า, ะานั่นปไปโน่นเลยหาคำมาใหม่แต่ไอมันก็น้ำพริกตัวเก่าแล้ ว, ลวมาตั้งชื่อน้ำพริกอ่าอ่าอะไรนะเขาเรียกอะไรพริกอะไรนะไอไอนัอ่นแะอ่แจวบอกไอแจวแจวห้อนอ่แจวห่อน อตาตมาง ง, ง, งเรืแจวห่อ น, นี่มันนานจนกระทั่งมึงมาได้กินที่นี่คนแล้วก็ทำไม่กินวะโถแจวห่ อ, อแต่เขาก็ไม่ปรุงเผ็ดมาให้อาตมาแล้วนะแต่ปรุงรสแบบแจ่วห่อน่ะแต่ก็ไม่เผ็ดถ้าเผ็ดมาอาตมาก็กินไม่ได้เหมือนกันอะโถไอ้อย่างนี้เองอะหลอกกันไปเอาช่วยประกาศประชุมใหญ่สหกรณ์คนของแผ่นดินประชุมใหญ่คนของแผ่นดินวันพฤหัสบดีที่สิหตุลาคม เวลาบายโมงถึงบ่ายสาขอให้สมาชิกชาวชุมชนช่วยมาประชุมอย่างน้อย90คนจะต้องได้คนอย่างน้อย90คนมาช่วยกันประชุมด้วยเอาให้มันเลย90้ไป9 0าเลยเถ้า เ, เาิดราชธา น, นีสงมีเก้าร้อยลอน้ลงฉลุย น้ำหัวเขาไม่รู้เราใครเป็นสมาชิกมาร่วมกันไม่เป็นสมาชิกก็มาได้ร่วมหน่อยมาร่วมหัวกันหน่อยอวันพฤหัสบดี16วันที่16ตุลาบายโมงถึงบ่ายสมโมงอ๋อก็ไม่กี่วันนะนี่อาตมา ย, ยังไม่ได้ไปเลยอาตมาจะไปวันที่18บเอาไปโกทิเบต พ่อท่านคับที่พูดถึงผู้จัดการนี่น่าจะตัดออกไหมครับอะไรนะที่วิจารณ์ถึงผู้จัดการอออ่าผู้จัดการตัดออกสักอะไรกันเขาถือสาอยู่ไม่ว่าเขาไปวิจารณ์เขาเดี๋ยวพวกเราจะรีบเอาขึ้น youtube เดี๋ยวจะเชิญพวกเราเก่งกขึ้น y o ยูทูบเลย